วันนีโ้โยมเยอะนะก่อนอื่นหลวงพ่อบอกพวกเราหน่อยเดือนหน้าหลวงพ่อไม่ได้ของงดนะทางนี้ของงดนะเดชจะบอกหลวงพ่อขี้เกียจนะหาหลวงพ่อไปเที่ยวสงกรานอะไรอย่างเง้ยลยหลวงพ่อก็ดีใจด้วยนะพวกเราสดใจกันศึกษาปฏิบัติธรรม ธรรมะเป็นมรดกที่สำคัญของมนุษยชาติทีเดียวไม่ใช่ของคนไทยนะของมนุษยชาตินี่พูดแบบสมัยใหม่นะถ้าสมัยภาษาตามพระไตรปิฎกมันเป็นคุณประโยชน์กับเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถ้าสมัยโบราณจะว่างั้นสมัยนี้ไม่รู้จักเทวดานึกว่าเทวดาไม่มีก็เลยบอกเป็นของมนุษยชาติลดระดับลงไปเยอะเลย เทวดาภาวนาเยอะนะเทวดาภาวนาเยอะแยะเลยสนใจศึกษาปฏิบัติธรรมกันมาไม่ขาดช่วงของมนุษย์นี่ภาวนากันไม่นานนะก็จะหายไปศา ส, สนาจะหายไปอย่างรวดเร็วพวกเทวดาก็อายุยืนสืบทอดกันได้นานนานๆพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นองค์หนึ่ง เมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วเนี่ยคำสอนเกี่ยวกับการเจริญสติถึงจะเกิดขึ้นเพราะงั้นเวลาหลวงพ่อพูดไม่ว่าจะพูดที่ไหนพูดวันไหนจะหนีไม่พ้นเรื่องการฝึกเรื่องการเจริญสติถ้าขาดการเจริญสติซะแล้วศาสนาพุทธก็ไม่ได้มีในยะสําคัญอะไรแตกต่างจากศาสนาอื่นๆสิ่งที่ทําให้ศาสนาพุทธไม่เหมือนคนอื่นก็คือเรื่องการเจริญสตินี่แหละเราะงั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องการเจริญสติ เราถึงจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงได้ถ้าลำพังเราทําทานถือศีลอะไรอย่างนี้หรือทาสมาธินะาศาสนาอื่นเขาก็มีอย่างมุสลิมเนี่ยถึงปีเขาต้องจ่ายเงินนะเลีสากาดจ่ายสกาดให้เอาไปช่วยสังคมเฉะลี่ยหรือการทาสมาธิเขาก็ทำนะอย่างการทำละหมาดวะละหาหครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทาสมาธิ น, นั่นเอง แห้ใจจดจ่ออยู่กับพระเจ้านะเะฉนการทำทานการรักษาศีลการทำสมาธิอะไรเป็นของสาธารณะในการเจริญสติเนี่ยหายากนานๆถึงจะเกิดครั้งหนึ่งถ้าใครความจำดีๆรละลึกชาติได้เยอะๆชาติไหนที่ไม่เจอาศาสนาพุทธเนี่ยจะรู้สึกวางเวงมันจะเวื้องว่างวางเวงใจนะแต่ไม่ชั่วนะออไม่ใช่ว่าต้องชั่วหรอกเป็นคนดีได้ แต่มันมีชีวิตอยู่แบบไร้ทิศทางไม่รู้ว่า อ, อยู่ไปเพื่ออะไรอยู่ตามๆกันไปอย่างนั้นเองเหมือนพวกเราตอนเด็กๆรู้สึกไหมอย่างเราเกิดมาแล้วก็เรียนหนังสืออะไรเงี้ยเราก็เรียนตามๆกันไปนะโตขึ้นมาแล้วก็ทํางานทํามาหากินตามๆกันไปหาครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงภรรยาเลี้ยงหลานเลี้ยงเหลนอะไรก็ทําตามกันไปเส ร, ร็จแล้วก็ตายตามๆกันไปอีกสุดท้ายมันตามๆกันมาอย่างนี้ตลอดเวลา รุ่นแล้วรุ่นเ่าเขาอยู่อย่างเนี้ยนะชีวิตมันไม่ได้มีความหมายอะไรมากมายแนะต่เมื่อเรารู้จักการเจริญสติแล้วเนี่ยนะชีวิตจะเปลี่ยนแปลงนะคนที่ฟังทำจกนกระทั่งสติจริงๆเกิดเนะี่ยในเวลาเดือนสองเดือนนะจะรู้สึกเลยว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงนะตัวเองเปลี่ยนแปลงคนที่ศึกษาธรรมะนะนะกับหลวงพ่อเนะี่ยมีเยอะเลยเดี๋ยวนีนะนะ้มีนับจานวนไม่ถูกว่า คนที่ตื่นขึ้นมามีจำนวนเท่าไหร่ตอนนี้นับไม่ถูกแล้วแต่ก่อนนับได้นะมีเท่านั้นสิบเท่านี้สิบอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวนี้นับไม่ถูกพอสติตัวจริงเกิดเนี่ยจิตใจมันเปลี่ยนเคยฟุ้งซ่านจิตใจมันก็สงบขึ้นมาเคยหลงนานๆนะก็หลงสั้นลงเคยทุกข์มากๆก็ทุกข์น้อยลงนี่ชีวิตมันเปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัดใจจะโปร่งโล่งเบามีความสุขมากขึ้นมากขึ้น นี่เป็นผลของการศึกษาการปฏิบัติธรรมยิ่งศึกษายิ่งปฏิบัติถูกต้องมากเข้ามากเข้านี่ต่อไปนะจิตใจยิ่งเป็นอิสระถึงอยู่สุดท้ายอิสระจริงๆจิตใจเป็นอิสระนะไม่เราไม่ไปหยิบฉวยจิตขึ้นมาให้เป็นภาระกวดทวงตัวเองมันเป็นความสุขซึ่งชาวโลกนึกไม่ถึงนี่เราจะเคารพเราจะรักพระพุทธเจ้าสุดหัวใจเลยถ้าเราปฏิบัติธรรมจนเราเห็นผลแล้วเนี้ย แบบมอบกายถวายชีวิตได้ไม่ได้ถวายแต่ปากนะของเรารู้นี่พระพุทธเจ้าไม่เอาชีวิตเราแน่ใช่ไหมเราก็สวดขอมอบกายถวายชีวิตนะพูดแต่ปากนะเรารู้ว่าท่านไม่เอาชีวิตเราหรอกแต่ถ้าเราภาวนาจะเราเข้าใจธรรมมาที่ท่านสอนนะเราจะรักจริงๆเลยรักสุดหัวใจเลยในชีวิตของเราแต่ละคนแต่ละคนเรามีพ่อมีแม่มีพ่อคนหนึ่งมีแม่คนหนึ่งในสังสารวัฏที่เราเกิดเกิดตายตา ย, ตา ย, ตายรวมแล้วพ่อแม่ของเราเยอะมากเลย ถ้าเราเข้าใจธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเราจะเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราจะมีพ่ออีกคนพ่อแม่ทั่วๆไปเนี่ยทให้เราเกิดอยู่ในสังสารวัตรนะแต่พ่อแม่อีกท่านหนึ่งนั้นคือพระพุทธเจ้าเนี่ยทให้เราพ้นจากสังสารวัตรเราจะเกิดไปอีกแบบหนึ่งเกิดในอริยชาติอริยะตระกูลมันจะมีความสุขผิดกันมากเลยชีวิตทางโลกก็รุ่มรุ่มดอนดอนอย่างนี้นะงั้นเราสนใจ ศึกษาธรรมะเนี่ยดีวันหนึ่งเราจะได้เป็นลูกพระพุทธเจ้าที่แท้จริงเป็นลูกพ่อลูกแม่ก็ดีแล้วล่ะนะแต่ได้เป็นลูกพระพุทธเจ้าอีกองคหนึ่งพ่อแม่เราเราก็ดูแลไปนะส่วนถ้าเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราไม่ต้องดูแลท่านนะเราดูแลใจของเราเองให้ดีแต่ท่านให้ฟรีเนหะ็นไหมนี่พวกเราจะศึกษาธรรมะเนี่ยนะ ต้องเรียนรู้เรื่องสติปัฏฐานนี้หลวงพ่อจะเล่าเรื่องสติปัฏฐานอย่างสั้นๆให้ฟังหลวงพ่อไม่พูดอะไรยาวนะธรรมะที่พูดแต่ละวันเนี่ยเอาไปปฏิบัติได้หลายปีนี่เรื่องสติปัฏฐานเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนสติธรรมดาอันแรกเลยเราต้องรู้จักก่อนสติปัฏฐานเนี่ยเป็นการที่เรามีสติรู้กายรู้ใจตัวเองไม่ใช่สติรู้เรื่องอื่นนะแต่เป็นสติรู้กายรู้ใจตัวเอง ถ้าเรารู้กายรู้ใจตัวเองมากๆจนเห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราแล้วปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้เนี่ยเราจะพ้นทุกข์อย่างแท้จริงเพราะตัวที่เป็นตัวทุกข์นั่นก็คือกายกับใจนี่เองนะเพราะมันมีกายมันก็ทุกข์เพราะกายนะมีจิตใจก็ทุกข์เพราะจิตใจถ้าเราสามารถปล่อยวางกายปล่อยวางใจได้เราก็คือเราจะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเลยเพราะความทุกข์มันอยู่ที่กายกับใจไม่ได้อยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ที่บ้านนะความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่โต๊ะที่เก้าอี้ไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ในกายในใจนี่เอง สติปัฏฐานเนี่ยแรกเยเราต้องรู้กายรู้ใจตัวเองการรู้กายรู้ใจตัวเองเนี่ยต้องรู้อย่างที่เรียกว่าเป็นวิหารธรรมนะนถ้าจะพูดแบบให้ดูคลืมๆหน่อยนะก่อนจะเทศพระท่านจะต้องยกบาลีเห็นแต่หลวงพ่อไม่ค่อยได้ยกนะวันนี้ยกสักหน่อยก็ได้นะอุตสาหไปท่องมานะ <c oughs> ท่านบอกกายเยกายานุปัตสีวิหารติมีกายในกายเนี่ยเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่นะอาตาปี อัตาปีคือมีอตบะมีความเพียรแผดเผากิเลสสัมปชาญโนคือมีความรู้สึกตัวมีสัมปชัญญะสติมามีสติมีินัยยะโลเกะพิชตาโทมานัสสถอดถอนเอาความยินดียินร้ายในโลกออกไปได้เนี่ยถ้าเราทําสติปัฏฐานแล้วในที่สุดเราจะถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกได้ในคีย์เวิร์ดมันจะมีอยู่ไม่กี่คํานี่เองนะอันแรกเลยก็คือเราต้องรู้กายรู้ใจอย่างเป็นวิหารธรรมวิหารธรรมแปลว่าบ้านบ้านไม่ใช่คุก แต่นักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนะเอาอารมณ์กรรมฐานมาเป็นคุกขังใจเช่นจะเราจะอยู่กับลมหายใจเราจะบังคับตัวเองให้รู้แต่ลมหายใจห้ามรู้อย่างอื่ น, นถ้ารู้อย่างอื่นถือว่าไม่ดีมันไม่ดีจริงนะในแง่ของสมถกรรมฐานแต่ในแง่ของวิปัสสนากรรมฐานเราไม่ได้เอาจิตไปติดคุกทันทีที่พวกเราคิดถึงการปฏิบัติแล้วเราบังคับตัวเองเราบังคับเมื่อไหร่เนี่ย จิตใจจะหนักๆแน่นๆ แ, แข็งๆขึ้นมาเลยทื่อๆนะแข็งขึ้นมาหาความสุขหาความสงบที่แท้จริงไม่ได้มีแต่ความอึดอัดนะแล้วจงใจปฏิบัติเมื่อไหร่อึดอัดเมื่อนั้นเลยจงใจไปรู้ลมหายใจก็อึดอัดจงใจไปรู้ท้องผ่องยุบ ก, ก็อึดอัดนายกเท้ายั่งเท้าแล้วจงใจไปรู้อยู่ที่เท้าก็า อ, อึดอัดอีกทําอะไรอะไรมันก็อึดอัดไปหมดเลยนะเพราะอะไรเพราะจิตมันไปติดคุกนคนติดคุกมันมีความอึดอัดนะแต่หลวงพ่อไม่เคยติดนะนี่เดาๆเอานะอ ไม่เหมือนอยู่บ้านอยู่บ้านสบายมีธุระออกจากบ้านเมื่อไรก็ได้นะงั้นเราต้องรู้กายรู้ใจเหมือนมันเป็นบ้านหมายถึงว่ามันเป็นที่อาศัยระลึกของสตินะเวลาไม่รู้จะรู้อะไรนะก็กลับมาอยู่บ้านคนไหนใช้ลมหายใจเป็นบ้านพอจิตใจไม่ต้องไปรู้กายเวทนาจิตธรรมอื่นแล้วก็กลับมารู้ลมหายใจรู้เล่นๆรู้เล่นๆไม่ใช่บังคับจิตให้อยู่กับลมหายใจถ้าบังคับจิตให้กับอ ย, อยู่กับลมหายใจเป็นสมถะ ถ้าจะอยู่อย่างอยู่เป็นบ้านเราก็หายใจไปหายใจออกก่อนนะหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกไปใจเราอยู่ที่ลมหายใจเราก็รู้หายใจไปหายใจไปใจเราหนีไปที่อื่นเราก็รู้หมหายใจไปเราเห็นร่างกายนี่หายใจอยู่นะเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาเห็นร่างกายหายใจร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราหรอกจิตใจก็เหมือนการจิตใจที่ไปรู้ร่างกายที่หายใจเนี่ยแป๊บเดียวมันก็หนีไปคิดเรื่องอื่นหรือมันถลําลงไปเพ่งลมหายใจ หรือมันสุขหรือมันทุกข์หรือมันดีหรือมันร้ายขึ้นมานะการที่เราเห็นอย่างนี้มากเข้ามากข้ามเดี๋ยวก็เกิดปัญญาเห็นในจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราอีกนะเราบางังคับมันไม่ได้เดี๋ยวก็วิ่งไปเดี๋ยวก็วิ่งมาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเนี่ยถ้าเรารู้อย่างนี้รู้อย่างเป็นวิหารธรรมนะมันจะรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจไม่ใช่รู้อันเดียวถ้าบังคับจิตให้แน่วอยู่ในอารมณ์ันเดียวเป็นเรื่องของสมถกรรมฐานงั้นอย่างหลายคนดูท้องผองยุบ ดูท้องพองยุบแล้เพ่งให้จิตแนบอยู่ที่ท้องเลยห้ามหนีไปที่อื่นะเอาท้องมาเป็นคุกขังจิตนะจนจิตมันไม่ไปไหนมันเสื่องๆอยู่ที่ท้องเนี่ยนะได้ความสงบนะเกิดกีติขนลุกขนฟองเกิดตัวลอยตัวเบาตัวโครงตัวใหญนะ่ตัวหนักบางคนตัวหนักก็มีนะบางคนก็ขนลุกซู้ซ่าสู้ซ า, านี้เป็นเรื่องของสมถะกรรมฐานแต่ถ้าเรารู้ท้องพองยุบอย่างให้มันเป็นมิปัสนาหัดเจริญสติัฐานจริงๆ เราจะเห็นร่างกายมันพองร่างกายมันยุบนะรูปมันพองรูปมันยุบใจอยู่ต่างหากใจเป็นแค่คนดูเหมือนเราดูตัวเองแล้วเราดูตัวเองเห็นร่างกายมันขยับเขยือนเคลื่อนไหวเหมือนกันหมดนะจะใช้อารมณ์กรรมฐานอะไรอย่างใช้อิริยาบทสี่เนี่ยเราก็เห็นร่างกายมันยืนร่างกายมันเดินร่างกายมันนอนถ้าทําสัมปชัญญะบับเพรา่างกายมันคู่ร่างกายมันเหยียดมันเหลียวซ้ายแลกวาแล้วเราก็รู้สึกเอา รู้สึกแล้วเราก็เห็นเลยตัวที่เคลื่อนไหวเหลียวซ้ายแล ก, กว่านะไม่ใช่ตัวเราหรอกรูปมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูตัวใจเองก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะงั่นเราจะเห็นทั้งรูปเห็นทั้งนามนะถ้าเห็นถูกต้องไม่ใช่เห็นอันใดอันหนึ่งไม่ใช่บังคับเอาอันใดอันหนึ่งนะนี่เรียกว่าอยู่อย่างเป็นวิหารธรรมบางทีสติก็ไปรู้กายบางทีสติก็ไปรู้ใจนะเราเลือกไม่ได้ไม่ได้จงใจไว้จะสบาย รู้กายก็สบายใจนะรู้จิตใจก็สบายใจรู้ไปเรื่อยๆสบายเมื่อเราอยู่บ้านออกจากบ้านไปเที่ยวเมื่อไหร่ก็ได้มีธุระจะไปเมื่อไหร่ก็ได้นะเหนื่อยแล้วกลับมาอยู่บ้านนี่เรียกว่าเป็นวิหารธรรมอาราปีคือแผดเผากิเลสการภาวนานะเราทําไปเพื่อทําให้กิเลสมันอยู่ไม่ได้ในใจเรานะไม่ใช่ทําภาวนาเพื่อตอบสนองกิเลสนะหลายคนภาวนาเพื่อตอบสนองกิเลสนะเวลาที่เราคิดถึงการภาวนาเมื่อไหร่นะ เราจะอยากได้ดีอยากสุขอยากสงบใช่ไหเราจะทำด้วยความอยากอยากได้ดีอยากสุขอยากสงบอยากจะพ้นจากความชั่วอยากจะไม่มีความทุกข์อยากให้ใจมันสงบเนี่ยเราต้องการเราปฏิบัติด้วยความต้องการด้วยความอยากเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานจะทำด้วยความอยากไม่ได้กิเลสไม่เร่าร้อนนะแต่เราจะเร่าร้อนเพราะกิเลสเช่นใจเราไม่สงบเราอยากให้สงบเนี่ยบังคับมันบังคับมันนะใจจะไม่มีความสุขเลยใจจะเร่าร้อน งั้นทำสติปัฏฐานเนี่ยอย่าไปทำตามที่กิเลสสั่งให้เรารู้กายให้เรารู้ใจไปนะเท่าที่มันเป็นได้นะใหม่ๆก็นานๆรู้ทีหนึง่งหัดรู้บ่อยๆต่อไปรู้ได้ได้เองนะรู้ได้อัตโนมัติรู้ได้ทีๆกิเลสจะแทรกเข้ามาในใจเราไม่ได้กิเลสเร้าเร้อนนะกิเลสทนอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ใจเราเร่าเร้อนนะใจเราเย็นเย็นเรียนรู้มันไปด้วยความใจเย็นเนะนี่ยกิเลสจะมาบังคับให้เราภาวนาไม่ได้ นะไม่ใช่อยู่ๆเราก็อยากปฏิบัติอยากพ้นทุกข์อยากปฏิบัติอยากได้มรรคผลนิพพานใช่ไหมมีคําว่าอยากเต็มไปหมดเลยอยากเสร็จแล้วก็ลงมืออ้าวไปเดินจงกรมนะเดินเดินไปนะโอ้เดินมาสิบรอบแล้วเมื่อไหร่จะได้มรรคผลนิพพานน ะ, ะเดินอีก10บรอบยังไม่ได้อีกละนะเดินสองวันสมวันยังไม่ได้อีกละงุนหงิดนะภาวนาแล้วก็แต่วเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะไดนะ้เนี่ยจิตใจเล่าร้อนแนละ้ไม่ใช่กิเลสเล่าร้อน แต่ถ้าเราฝึกไปเรารู้กายสติระลึกรู้กายปั๊บนะกิเลสจะดับเองนะสติระลึกรู้จิตปั๊บเนี่ยกิเลสจะดับเองยกตัวอย่างอย่างเราใจลอยอยู่เราใจลอยเราเผลอเผลอคิดคิดไปเรื่อยๆพอสติระลึกได้ว่าเผลอไปแล้วเนี่ยความเผลอจะดับอัตโนมัติเลยความใจลอยดับอัตโนมัติโมหะคือความฟุ้งซ่านนั้นดับอัตโนมัติใจเราจะตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาเนี่เรียกว่าเราทํากิเลสให้เราร้อน ตัวต่อไปที่ต้องเข้าใจนะคือสัมปัชัญญะสัมปัชฌะโนหรือสัมปชัญญะคือความรู fruit, ้สึกต we ัวความรู้สึกตัวนี้มีสอย่างนะเราจะทําอะไรเราจะทําเพื่ออะไรเราจะทําอย่างไรนี่สามแล้วนะเราจะทําอะไรจะทําเพื่ออะไรจะทําอย่างไรระหว่างทําไม่หลงไม่เผลอนี่เราต้องรู้ชัดอย่างนี้4อย่างนี้เรียกว่าสัมปชัญญะงั้นอย่างเราจะทํากรรมฐานเราต้องรู้นะเราจะทํากรรมฐานอะไรจะทําสมถะหรือจะทํำวิปัสสนา ทำสมาธิเพื่ออะไรเพื่อให้จิตสงบและทําวิปัสสนาเพื่อให้เห็นความจริงนะสมาธินี่ทำให้เกิดความสุขความสงบความดนะีแต่วิปัสสนาทําเพื่อให้เห็นความจริงนี่ต้องรู้นะต้องรู้เป้าหมายถ้าเป้าหมายต่างการวิธีปฏิบัติก็ต่างกาันะจะทําอย่างไรนะถ้าสมถะจิตใจมันฟุ้งซ่านมันไม่ดีก็น้อมมันอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะน้อมมันเข้ามาหาอารมณ์ที่มันชอบใจนะคนไหนชอบพุโทโธก็ไปอยู่กับพุโทโธ คนไหนชอบลมหายใจก็อยู่กับลมหายใจคนไหนชอบพิจารณาปฏิกูณาสุภาพิจารณาความตายก็พิจารณาไปคนไหนชอบดูท้องผ่องยุบก็ไปเพ่งทองไว้ใช้ได้เหมือนกันหมดเลยจิตใจอยู่ในอารมณ์มันเดียวจิตใจไม่วกแวกไปจิตใจมีความสุขแต่ถ้าจะทําทวิปัสสนาจะทําทอย่างไรวิปัสสนาต้องการเห็นความจริงวิปัสสนาไม่ต้องการความสุขความสงบความดีแต่ว่าถ้าเราเห็นความจริงแล้วเนี่ยจิตจะสุขจิตจะสงบจิตจะดีอัตโนมัตินะ มันจะได้อัตโนมัติขึ้นมาให้เรารู้ลงไปในกายรู้ลงไปในใจนะรู้ลงไปวิธีทําวิปัสสนารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ลงปัจจุบันไปรู้อย่างที่เขาเป็นเพราะฉะนั้นจะรู้อย่างที่เขาเป็นได้ก่อนจะรู้อย่าจงใจนะระหว่างรู้อย่าถล่มลงไปรู้ดูอยู่ห่างๆดูแบบคนวงนอกไม่มีส่วนได้เสียรู้แล้วไม่แทรกแซงนีต้องอย่างนี้นี่เรียกว่าเรามีสัมปชัญญะพอเรารู้อย่างสักว่ารู้สักว่าเห็นจริงๆ เราจะเกิดสัมปชัญญะตัวสุดท้ายขึ้นมาใจเราจะตื่นขึ้นมาจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาไม่หลงไม่เผลอจะรู้สึกตัวตัวนี้เรียกว่าอสัมโมหะสัมปชัญญะใจเราจะตื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาหลจากนั้นเราจะมาเจริญสติน ะ, จะเจริญสติพอใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วสติมันจะระลึกรู้กายสติมันจะระลึกรู้ใจระลึกของมันเองนะไม่ต้องเจตานาระลึกนะถึงจุดนี้ไม่มีสายกายสายจิตแล้ว สติบางทีก็รู้กายบางทีก็รู้จิตเอาแน่ไม่ได้เราสั่งไม่ได้ถ้าเรารึกรู้กายมันจะเกิดปัญญาเห็นเลยว่าร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนนีเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งไม่ใช่ตัวเราเนี่ยภาวนามาถึงจุดนี้มันจะเริ่มเห็นแล้วพอใจเราตั้งมั่นขึ้นมานะเป็นผู้รู้ผู้ดูได้มีความรู้สึกตัวรู้ตื่นเบิกบานอยู่รู้พอสติรู้กายปับ๊บเนี่ยจะเห็นเลยกายไม่ใช่ตัวเราหรอกปัญญามันจะเกิด หรือสติไประลึกรู้จิตมันจะเห็นเลยจิตนี้เป็นของไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงทั้งวันทั้งคืนใครดูออกบ้างไหมจิตใจทํางานทั้งวันทั้งคืนถ้าภาวนากับหลวงพ่อช่วงหนึ่งก็จะเห็นนะจิตใจนี้ไม่เคยหยุดพักเลยนะทํางานทั้งวันทั้งคืนเลยทั้งหลับทั้งตื่นทํางานไม่เลิกนะเราจะเห็นว่ามันมีเที่ยงแล้วมันก็บังคับไม่ไดนะ้จิตใจจะปรุงดีหรือปรุงชั่วจิตใจจะปรุงสุขหรือปรุงทุกข์จิตใจจะปรุงกุศลอกุศลอะไรนี่เลือกไม่ได้ทั้งสิ้นเลย เรียกว่าเราเห็นความจริงของมั น, นมีสติะระลึกลงไปในรูปในนามด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาจะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจนี้ไม่มีตัวเราพวกเราล อ, ล, อลองลองทดสอบนะเอาแขนของตัวเองมาแล้วรูปแขนตัวเองนะลองสัมผัส ด, ดูอย่าไปรูปคนอื่นนะรูปตัวเองเดี๋ยวจะบอกหลวงพ่อให้รูปมือรูปคนอื่นสัมผัส ด, ดูนะรู้สึกไหมมันเป็นท่อนๆรู้สึกไหมมันแข็งแข็ง มันบอกไหมว่ามันเป็นตัวเราเนี่ยสัมผัสลงมานะรู้สึกไหมมันไม่ได้บอกเลยว่ามันคือตัวเรานะตัวเราคือความคิดเท่านั้นเองนะจริงๆแล้วไอท่อนนี้ไม่เคยบอกว่าเป็นตัวเราเนะีนะ่ยพัดจิตใจเรามีสติจริงๆมันระลึกถ้ามันระลึกตัวในร่างกายมันก็จะเห็นร่างกายไม่ใช่เรานะถ้ า, าระลึกลงไปในจิตใจมันก็เห็นอีกจิตใจก็ไม่ใช่เรานะเราบังคับมันไม่ได้อย่างนั่งฟังหลวงพ่อพูดสังเกตไหมเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อ เดี๋ยวก็ตั้งใจฟังเดี๋ยวก็ตั้งใจคิดหรือบางทีแอบไปคิดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเนี่ยจิตมันทํางานอย่างนี้มันทำของมันเองดูออกไหมฟังไปคิดไปนี่ก็แสดงไตรลักษ์ให้ดูนั่นเองแม้ถ้าเราภาวนาถูกต้องมีสติถูกต้องนะเราจะเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษ์ถ้าเราเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษ์เนี่ยเรื่อว่ามีปัญญาถ้าเห็นกายเห็นใจเป็นของสวยของงามอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ปัญญานะถ้าเห็นกายเห็นใจว่าเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะก็ยังไม่ใช่ปัญญาแท้ ต้องเห็นว่าเป็นไตรลักษณ์นะเพราะปฏิกูสุภาไม่มีสภาะวะธรรมรองรับนะอย่างเราบอกว่าเหม็นใช่ไหอีกคนหนึ่งว่าหอมอ่ะ ค, คนลาวบอกว่าปลาลาหอมนะฝรั่งบอกเหม็นคนไทยว่าทุเรียนหอมใช่ไหมฝรั่งมันบอกเนยหอมบางคนคนไทยบอกเหม็นนะหอมกับเหม็นเลยไม่ใช่ของแท้นี่เราครดูลงไปนะจนกระทั่งเราจะเห็นเลทั้งกายทั้งใจนี่ไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งกายทั้งใจเนี่ยทนอยู่ในสภาวะอันใดหนึ่งไม่ได้ถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาทั้งกายทั้งใจเนี่ยเราบังคับมันไม่ได้จริงร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนะจิตใจก็เป็นธาตุเหมือนกันเรื่องวิญญาณธนะาตุเกิดดับเนื้อเกิดที่ตาเกิดที่หูเกิดที่ใจเลือกไม่ได้บังคับไม่ได้เนี่ยเรียนรู้ลงไปนี่เรียกว่าทําสติปัฏฐานนะทำสติปัฏฐานเนี่ยรู้ลงมาจนกระทั่งในที่สุดเราเห็นความจริงของกายของใจ พอเห็นความจริงแล้วจิตจะปล่อยวางพอจิตปล่อยวางเรียกว่าวิมุตินะจิตหลุดพ้นจากความยึดถือกายยึดถือใจพอจิตหมดความยึดถือกายยึดถือใจเราจะพบสันติสุขที่แท้จริงนะทุกคนแสวงหาความสุขแต่ความสุขที่พวกเรารู้จักนี่เป็นความสุขที่ลุ่มลุ่มดอนดความสุขที่พวกเรารู้จักเป็นความสุขที่อิงอาศัยสิ่งต่างๆภายนอกนะเช่นเราต้องอยู่กับคนนี้เราถึงจะมีความสุข นะเราต้องกินอาหารอย่างนี้ถึงจะมีความสุขเราต้องได้ยินเสียงคนนี้เราถึงจะมีความสุขนีมันอะิงอาศัยข้างนอกหรือความสุขที่เกิดจากสมาธิถ้าจิตสงบเราถึงจะมีความสุขแต่ถ้าความสุขจากใจที่หลุดพ้นเนี่ยนะจิตจะเป็นยังไงฉันก็มีความสุขอยู่ได้นะมันมีความสุขอยู่ได้ตลอดเวลาเลยร่างกายจะสุขร่างกายจะทุกข์นะความสุขนี้ก็ไม่หายไปไหนจิตใจจะเป็นยังไงความสุขอันนี้ก็ไม่หายไปไหน เนี่ยเราฝึกนะถึงจุดหนึ่งเราจะได้รับสันติสุขที่แท้จริงสันติสุขนี้ก็คือนิพพานนั่นเองนิพพานนีนคนนะ่คือตัวสันตินะคือตัวสันติคือความสงบสงบจากกิเลสสงบจากขันคือสงบจากกายจากใจสงบจากความทุกข์แต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเลยอย่าไปแปลนิพพานว่าศูนย์เปล่านะนิพพานไม่ใช่แปลว่าไม่มีอะไรเลยนิพพานมันสงบมันสันติมันมีความสุข สงบจากกิเลสสงบจากขันสงบจากทุกข์แต่ว่านิพพานมีอยู่ไม่ใช่นิพพานไม่มีไม่ใช่ภาวนาแล้วก็เลยหายไปหมดเลยหายไปหมดเลยเป็นมิจฉาทิฏฐินะแต่ภาวนาแล้วเนี่ยจิตใจเข้าถึงสันติสุขมีความสุขมีความสุขอยู่อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องรักษาอีกต่อไปแล้วนี่สติปัฏฐานนี่เนี่ยทางสายเดียวทางสายเอกทางสายเดียวที่จะทําให้เราเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงได้ เราเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงได้เพราะเราหมดความยึดถือกายหมดความยึดถือใจเราหมดความยึดถือกายหมดความยึดถือใจได้เพราะเรามีปัญญาเห็นความจริงว่ากายกับใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรามีปัญญาเห็นกายกับใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้เพราะเรามีสติรู้กายมีสติรู้ใจตามความเป็นจริงเราเห็นเลยกายมันก็เคลื่อนไหวไปไม่ใช่เราเคลื่อนไหวความโลภเกิดขึ้นก็ไม่ใช่เราโลภ ความโกรธเกิดขึ้นก็ไม่ใช่เราโกรธนะมันเป็นสภาวะธรรมล้วนๆมีแต่สภาวะธรรมล้วนๆไม่มีเราเนี่ยเห็นอย่างนี้นะมันจะเห็นอย่างนี้ได้ก็ต้องมีสติบ่อยๆเนี่ยจบสติปัฏฐานนะความจริงมีอีกหน่อยอยงนะสติปัฏฐานมีสองขั้นตอนเอาไหมเอาไหมเอาอ่ะสติปัฏฐานมีสองสเต็ปนะสองขั้นตอนอันแรกขั้นแรกทําไปเพื่อให้เกิดสติขั้นที่สองทำไปเพื่อให้เกิดปัญญา เกิดทำให้เกิดสติสติเกิดแจกจิตจําสภาวะได้งั้นสติปัฏฐานเบื้องต้นมันไม่ได้ทําให้มีปัญญาอะไรให้เราคอยรู้กายคอยรู้ใจของเราที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอย่างใช่เช่นใจเราไหลไปคิดเราก็รู้ทันใจเราไหลไปเพ่งเราก็รู้ทันใจเราเป็นสุขเราก็รู้ใจเราเป็นทุกข์เราก็ ร, ร, รู้ใจเราโลภใจเราโกรธใจเราหลงเราก็คอยรู้ไปในที่สุดมันจะจําสภาวะได้มันจะจําได้ว่าจิตใจที่หลงเป็นอย่างนี้ จิตใจที่โลภเป็นอย่างนี้จิตใจที่โกรธเป็นอย่างนี้จิตใจที่สุขที่ทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะพอมันจําได้ต่อไปความโลภความโกรธความหลงหรือสภาวะใดๆที่จิตจําได้แล้วเกิดขึ้นสติจะเกิดเองเลยนะพอสติเกิดเองแล้วคราวนี้สติระลึกรู้กายบ้างระลึกรู้จิตบ้างเลือกไม่ได้แล้วกนะ็จะรู้โดยที่ใจเป็นกลางก็จะเกิดปัญญาต้องมีใจเป็นกลางนะใจตั้งมั่นเป็นกลางจะเกิดปัญญาเห็นความจริงว่ากายก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เรานะ มันมีสองขั้นตอนนะถัดจากนี้จะเป็นเรื่องรายละเอียดแล้วแต่ละคนทางใครทางมันนะบางคนจะต้องรู้กายก่อนบางคนรู้เวทนาก่อนบางคนรู้จิตบางคนรู้ธรรมก่อนนะเอาแน่ไม่ได้แล้วแต่จริตนิสัยของคนไม่เหมือนกันทางใครทางมันนะไม่ผิดหรอกเหมือนเราจะขึ้นภูเขาสักลูกหนึ่งเนะีนะ่ยถ้าเรายังไต่ภูเขาอยู่นะเราก็คิดว่าทางที่เราเดินเนี่ยดีที่สุดแล้วแต่ถ้าเราขึ้นไปถึงยอดเขาเราจะเห็นเลยทางขึ้นเขานี่มีรอบทิตทางเลยนะ ขึ้นได้ทั้งสี่ทิศเลยสี่ทิศก็คือสติปัฏฐานสีนั่นเองอันใดก็ได้ถ้ารู้กายถูกต้องก็รู้ใจนะรู้ทั้งกายทั้งใจทั้งรูปทั้งนามถ้าจะรู้เวทนานะเดี๋ยวก็รู้กายรู้ใจเพราะเวทนาอยู่ในกายเวทนาอยู่ที่ใจเห็นจะดูจิตนะจิตมันขยับขยื่นเคลื่อนไหวอะไรนี่นะเป็นเรื่องทางใจในจิตมันก็สั่งให้กายทำงานนะหรือตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์ มันก็ทําให้จิตเกิดบันไหวยินดียินร้ายขึ้นมาแม้มันเนื่องกันหมดอนะ่ะทั้งกายทั้งใจนะภาวนาแล้วไม่ใช่ว่ารู้อันเดียวนะจะรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจถ้ารู้ถูกต้องนะถ้าทําผิดเพ่งลูกเดียวก็มีแต่กายหรือหรือใจอันเดียวนะหรือเพ่งไปเพ่งไปกายหายไปก็มีในพวกอรูปฌานบางคนเพ่งไปกําหนดไปเรื่อยๆใจหายไปเหลือแต่ร่างกายนี่เรียกว่าพรมลูกฟักนะอสัญญาสัตตานะไม่ยากนะไม่ยากอะไร อ่ะใครจะคุยอะไรบ้างวันนี้เชิญมีเวลาสักชั่วโมงนิมัส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะเออคราวที่แล้วหลวงพ่อสอนว่าโยมยังติดเพ่งอยู่เออโยมไม่แน่ใจว่าตอนนี้โยมพยายามปล่อยๆแล้วผลเป็นยังไงบ้างเจ้าคะดีะขึ้นแล้วแล้วโดยรวมแล้วโยมปฏิบัติเป็นยังไงบ้างแล้วเจ้า่ได้ทาไปเรื่อยๆเจค่ะการภาวนานะต้องใจเย็นๆมันเหมือนการสร้างงานศิลปะชิ้นหนึ่ง แต่ไม่ใช่ศิละปะสมัยใหม่นะมีแปลงอยู่อันหนึ่งปาดชับบอกว่าศิละปะนะเป็นงานศิละปะที่ประณีตคล้ายๆงานแกะสลักอะไรเงี้ยหรือ ง, งานของช่างทองนะครูบาอาจารย์วัดป่าแต่ก่อนท่านเทียบเหมือนกับการเหลาไม้มัางแกะสลักพระพุทธรูปอะไรเงี้ยนะต้องใจเย็นๆนะถ้าเราแกะไปจนสวยนะแล้วใจร้อนแวบเดียวพระพุทธรูปจมูกแหว่งเนี้ยหมดราคาเลยใช่ไหมใจเย็นๆ เพราะงั้นภาวนาไม่ต้องรีบร้อนนะเวลาเราสะสมกิเลสเรายังไม่รีบร้อนเลยะเวลาภาวนาจะรีบร้อนอะไรนักหนานค่อยรู้ค่อยดูไปดีแล้ว่กับกรรมนวัต ก, การพระอาจารย์นะครับอ่ากับผมได้ปฏิบัติมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ตอนที่ปฏิบัติแรกๆเนี่ครับอาจจะมีอารมณ์โกรธเนี่ยครับที่เห็นเห็นได้เด่นชัดนะครับ แต่ว่าพอปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยอารมณ์โกรธที่ผมเห็นเนี่ยมันจะออกลักษณะเป็นคงอยู่นานมากผมก็เลยไม่แน่ใจว่าสิ่งที่สิ่งที่มันปรากฏขึ้นมาเนี่ยมันถูกวิธีหรือเปล่านะครับคือถ้าใจเราไม่ตั้งมั่นนะขาดสัมมาสมาธิคือใจเราไม่สักว่ารู้สักว่าดูใจเราไปเกลียดความโกรธเนี่ยความโกรธจะไม่หายหรอกนะเพราะใจเรามีกิเลสใจเราไม่ได้มีสติ งั้เวลาที่เราภาวนาเนี่ยถ้าสติตัวจริงเกิดเนี่ยอกุศลจะดับทันทีนแต่วิบากไม่ดับนะวิบากก็จะให้ผลไปอีกช่วงหนึ่งเช่นถ้าเราไปโกรธใครมาเนี่ยถึงความโกรธ ด, ดับไปแล้วนะใจเราจะมองมองมัวมั ว, ม ว, มวแข็งแข็งแน่นๆอีกช่วงหนึ่งอันนี้เป็นวิบากอันนี้ต้องรับชะตา ก, กรรมนะอันนี้ต้องทนใช้ไปเไม่ไม่ใช่ว่าพอโกรธเข้ามาเชือดคอเขาตายแล้วเกิดสติระลึกได้ปั๊บจิตสว่างแจ่มใสเบิกบาน นะมันก็เกินไปหน่อยนะนะครับแล้วก็ช่วงที่พิจารณาเนี่ยครับกลับมาที่อารมณ์โกรธเหมือนเดิมนะครับก็คือพอรละลึกรู้ได้เนี่ยมันก็จะหายไปแต่หลังจากช่วงที่หายไปแล้วเนี่ยครับจะไม่รู้สึกอะไรเลยครับช่วงนี้ควรจะปฏิบัติยังไงไม่รู้สึกอะไรหมายถึงยังไงคือไม่แน่ใจว่ามันรู้สึกเฉยเยนะครับเฉยเฉยก็คือความรู้สึกเฉยเฉยนะเฉยเก็เป็นความรู้สึกอันหนึ่งนะ แล้ก็รู้ว่าเฉยๆคือปกติเนี่ยพอจิตเป็นกุศลขึ้นมาแล้วเนี่ยจิตจะมีสองอันอันนึงมีความสุขอันนึงเฉยๆแต่ไม่ใช่เฉยแบบแห้งแล้งนะไม่ใช่เฉยแบบด้านๆซึมๆทื่อๆนะอันนั้นเป็นอกุศลตัวใหม่เป็นจิตที่ประกอบด้วยโมหะอย่างจิตของคุณตอนเนี้ยรู้สึกตัวเต็มที่หรือยังอ่าจะมีจะมีช่วงที่ปฏิบัติต่อเนื่องเนี่ยครับเ น, นี่ยขณะเนี้ย ขณะจิตนี้เลยเดี๋ยวนี้ยรู้ตัวยังขณะนี้ไม่ไม่ค่อยรู้ตัวเะอไม่รู้ตัวถูกต้องจิตขณะนี้มีโมหะนะดวกอกไหมัวมัวครับผมรู้สึกแน่นมากเลยครับเออมันตื่นเต้นนะโลกแท้ใหม่ครับผมสังเกตไหมจิตขณะนี้กับเมื่อกี้ไม่เหมือนกันละพอคิดจะเลิกพูดแล้วจิตไม่เหมือนเม่อกี้ดูออกไหมครับผมจิตสว่างกว่าเมื่อกี้ดูออกไหมครับผมแล้วดูความเปลี่ยนแปลงไป จิตมันจะเมืดหรือจิตมันสว่างเราเลือกไม่ได้ดูออกเพื่อยังมันเป็นของมันเองมันไม่ใช่ตัวเราหรอกครับน้ครับนรรมสการหลวงพ่อค่ะตอนนี้ตื่นเต้นมากค่ะแล้วอยากอยากอยากทราบว่าบางทีตัวเองเนี่ยมันมันจะคิดเยอะมากเลยอ่ะบางทีจะหลงไปนานแล้วความคิดเนี่ยมันจะฟูมากเลยอะแต่พอรู้สึกตัวเนี่ยก็บางทีก็กลับมาที่ลมหายใจใหม่เนี่ยบางทีมันก็จะตึงๆนิดหน่อยอะค่ะไม่ทราบว่าปฏิบัติผิดหรือเปล่าคะ ก็ไม่ผิดเดยเอะนะผิดนิดหน่อยอย่างน้อยก็ยังหาทางกลับมาอยู่กับลมหายใจนะอย่างจิตใจที่ฟุ้งซ่านไปเนี่ยเป็นอากูศโรจิตจิตที่รู้ว่าเมื่อกี้ฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นมหากูศโรจิตประกอบด้วยปัญญานะถัดจากนั้นเกิดอากูศลตัวใหม่เราไม่ชอบความฟุ้งซ่านเราก็เลยไปดึงจิตเอาไว้กับลมหายใจนะพอเราบังคับจิตให้อยู่ที่ลมหายใจก็จิตติดคุกเหมือนที่หลวงพ่อบอกเมื่อกี้ mm hmm. ก็จะแน่นๆ่นสิ เห็นจินมันติดคุกเนี่ยแล้วทำไงดีก็อย่าไปทำอะไรสิจะไม่ติดคุกนะรู้อย่างที่เขาเป็นยกตัวอย่างอย่างใจเราลอยไปใจเราหลงไปคิดใจหนีไปแอ บ, บไปพอนะใจหนีไปรู้ขึ้นมาว่าหลงไปแล้วใจมันจะตื่นขึ้นมาอย่า ก, กลัวว่าจะหลงอีกถ้ากลัวว่าจะหลงอีกจะรีบไปบังคับไว้จะแน่นๆนะ่ก็แค่รู้แล้วก็จบลงแค่นั้น ปรเดี๋ยวมันก็จะทำงานอย่างอื่นต่อไปอีกเราก็ตามรั่วใหม่เป็นคลาวคาวไปจิตที่หลงไปไม่ใช่ว่ามีปัญหามากนะสำหรับนักปฏิบัติเพราะธรรมดาจิตเราหลงทั้งวันอยู่แล้วแต่แต่เดิมเนี่ยมันหลงตลอดเวลาไม่เคยรู้สึกตัวเลยเพราะจิตจะประกอบด้วยอกุศลตลอดเวลาเลยหาจิตที่เป็นกุศลเนี่ยน้อยเต็มทีโดยเฉพาะจิตที่เป็นกุศลแล้วมีปัญญาทาสติปัฏฐานเนี่ยแทบไม่มีเลย นี่การที่เราฝึกเจนกระทั่งสติเราเกิดขึ้นหนึ่งแวบแวบหนึ่งขึ้นมาชีวิตเราขาดเป็นสองท่อนแล้วก่อนหน้านี้ขาดสติตอนนี้รู้สึกเดี๋ยวจะขาดสติใหม่ชีวิตไม่ได้มีอันเดียวแล้วชีวิตขาดเป็นช่วงๆนะพอเกิดสติครั้งเดียวแวบเนี่ยใช่ไหมชีวิตขาดเป็นเป็นสามท่อนแล้วหลงไปใช่ไหมมีสติแล้วเดี๋ยวก็หลงอีกเออหลวงพ่อคะแต่ว่ามันไม่ได้ขาดโชอะไรอะคะ่ะมันคือ ย, อยังอึงอ้งๆนิดหน่อยอะคะ่ะสติมันยังไม่มีกําลังนะ ถ้ามันเป็นสติตัวแท้ๆจะขาดสะบั้นเลยนี่ของเรากําลังมันยังไม่พอก็ต้องพยายามยามากกว่านี้อย่าอยากให้ขาดเข้าใจไห ม, มถ้าอยากให้ขาดนะจิตเป็นอกุศลจิตมีโลภะจิตไม่มีสติหรอกไม่ขาดถ้าสติตัวแท้เกิดนะอกุศลอยู่ไม่ได้ดับทันทีผมขออนุญาตกาบเรียนถามวิธีการ การรักษาตัว uh, ม well mm ัช hmm. like right? ิมาปฏิบ <tte gy ak> ัตาครับผมืก็อยากรู้จักมัชิมาปฏิบัตาทางสายกลางใช่ไหมจะวิธีการรักษาครับผมเดี๋ยวต้องเดี๋ยวโลวงพ่อขอแปลหน่อยมัชิมาปฏิบัตาของคุณหมายถึงอะไรก็คือผมเองเคยไปฟังทำครูบาอาจารย์ท่านแล้วก็ท่านก็คือดักจิตผมได้พอดีแล้วก็ในในตอนนั้นท่านก็บอกวิธีการให ว่าไอตัวที่ผมเองจะต้องค้นหาคือตัวอะไรผมก็ไปค้นหาเจอแต่ว่ารักษามันไม่ได้ครับจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรรักษาได้ทุกอย่างเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับไปรบเราภาวนาไม่ใช่เพื่อเอาอะไรนะรแต่เพื่อให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตเหล่านี้ของชั่วคราวทั้งหมดครับถ้าใจเรายอมรับตรงนี้เราจะได้ธรรมะที่เป็นพระโสดาบันบงั้นไม่ใช่รักษานะคขอบคุณ เรารู้ลงปัจจุบันนะรู้ลงปัจจุบันไปจุดสําคัญคือรู้ลงปัจจุบันให้ถูกรู้ปัจจุบันให้ถูกกันแรกเลยอารมณ์ที่ถูกรู้ต้องเป็นกายกับใจของเรานะไม่ใช่รู้เรื่องอื่นอันที่สองสติที่ไปะระลึกสติไม่ได้ไปกําหนดอันที่3 ส, สมาธิคือใจตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าดูไม่ถลําลงไปนอนแช่อันที่4ปัญญานั้นเกิดจากการเห็นความจริงไม่ใช่เกิดจากการคิดเอาเนี่ยถ้าเดินอยู่ในแนวนี้แล้วก็ปลอดภัย กราบน้ำพระสการหลวงพ่อขอญอาติถามคำถามสองคำถามคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนริยญาอมิตรนะครับคำถามแรกก็คือการเจริญมหาสติปัฐานสีโดยเฉพาะในหัวข้อกายานุสตินะครับเมื่อจะลงลึกไปในเรื่องของธาตุหรื อ, อปัจจูลหรือนภสีอะไรพวกนั้นนะครับ ขอญอาตเรียนถามว่าจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องพิจารณาในขณะเข้าสมาธิเรียบร้อยหรือเมื่อจิตสงบก็พิจารณาได้เลยอันนี้เป็นคำถามข้ อ, อที่หนึ่งนะครับนะหลว่อตอบก่อนถ้าถามสองข้อเราจะลืมข้อแรกคือการรู้กายและเวทนาต้องทาสมาธิถึงจะทาได้ดีถ้าจิตไม่มีสมาธิจะรู้รู้กายได้ไม่ชัดเจน มันจะหลงไปเพ่งกายมันจะไม่เห็นว่ากายไม่ใช่ตัวเรานะเวทนาก็เหมือนกันถ้าจิตไม่มีสมาธิจิตมันจะทนเวทนาไม่ไหวมันจะฟุ้งซ่านขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราต้องทําสมาธิก่อนพอมีสมาธิแล้วเนี่ยเราต้องดูนะว่าเราทําสติปัฏฐา น, เ, นเพื่อให้เกิดปัญญาหรือจะทําเพื่อให้เกิดความสงบนะสติปัฏฐานเนี่ยเป็นกรรมฐานที่มีในยักกว้างขวา ง, วางบางส่วนเป็นสมถกรรมฐาน เพราะบางคนต้องทำสมถะก่อนหรือจะขึ้นวิปัสสนาในสติปัฏฐานเลยมีอารมณ์ทั้งสมถะและวิปัสสนาอย่างการพิจารณาป่าช้าเก้าอย่างเนี่ยเป็นเรื่องของสมถะมันข่มราคาทําให้จิตใจเราสงบแต่การพิจารณาพิจารณาธาตุอันนี้ขึ้นวิปัสสนากวนร้านกันนี่การพิจารณาเนี่ยถ้าเวลาที่โยมทําสมาธินะอย่าไปคิดเรื่องพิจารณา เวลาทำสมาธิคือเวลาที่รวมกําลังให้จิตได้พักผ่อนให้มีกําลังเต็มที่ตรงนี้ยังไม่ใช่เวลาเจริญปัญญาเราทาสมาธิให้แนบแน่นลงไปนะจนจิตเป็นหนึ่งเลยบางทีบางทีจิตเป็นหนึ่งเลร่างกายหายไปแต่จิตก็ยังอยู่นะมีจิตมีสติรักษาอยู่อย่างนั้นเองแต่ว่าไม่มีร่างกายก็มีบางทีก็ยังมีร่างกายอยู่แต่ว่าเมื่อจิตถอยออกจากสมาธิจิตถอยออกมาเนี่ยเราเริ่มคิดได้แล้วตรงที่มีความรู้สึกนึกคิดเนี่ยถ้าจะพิจารณากายเนี่ยก็ทําได้สองแบบ อันหนึง่งน้อมลงไปพิจารณาผมกดเล็บฟันหนังอะไรนี่อาการ32เนี่ยจิตมันจะกระตุ้นไม่ให้จิตติดความสงบเฉยๆอยู่มันจะเป็นสมถะอีกชนิดหนึ่งเป็นสมถะที่ที่สงบไม่ลึกมากอย่างการทำสมาธิที่ ท, ที่ทำอยู่ก่อนนะผู้ปฏิบัติหลายท่านเลยท่านทำสมาธิอย่างธรรมนาปนสติจนจิตถึงฌานแลพอจิต ถ, ถึงฌานแล้วขี้เกียจที่จะภาวนาต่อครูบาอาจารย์ก็บอกให้ออกมาพิจารณาร่างกาย เป็นปฏิกูลเป็นาสุภาเป็นอะไรอย่างนี้พา่นาไปเป็นการกระตุ้นให้จิตมันหัดทํางานไม่ให้ติดความสงบความเฉยนะจะได้หัดเดินปัญญานี่อย่างหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งมีสติรู้ลงไปในกายเลยนะมีสติรู้ลงไปเลยเห็นในร่างกายที่นั่งอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเรานะเป็นก้อนธาตุเป็นวัตถุก้อนธาตุนั่งดูลงไปอย่างนี้ดูลงไปตรงๆนะเพื่อให้ถอดถอนความเห็นผิดว่าเป็นเราเพราะั้นการภาวนาเนี่ยถ้าเราทําไปเพื่อให้จิตสงบ นะได้สมถะนะถ้าเพื่อให้ถอดถอนความเห็นผิดว่ากายกระใจเป็นเราเนี่ยเป็นวิปัสสนามันมันจะพลิกได้สองถังพอออกจากสมาธิแล้วเนี่ยแล้วอีกแบบหนึง่งพอออกจากสมาธิแล้วดูจิตเข้าไปเลยเราจะเห็นได้จิตตะกี้มีปีติตอนนี้ไม่มีจิตตะกี้มีความสุขตอนนี้ไม่มีจิตตะกี้สงบตอนนี้ฟุง้งซ่านเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเลยอย่างนี้ก็ใช้ได้นะมันพลิกแพลงได้เยอะนะครับคำถามเมื่อกี้ขอขอญาตลงให้ลึกนิดนะครับ คือสภาวะจิตปกติแล้วสำหรับผมนะครับที่ที่ถามเมื่อกี้ก็มีความสงบพอสองบพวนก็เลยกราบน้ำมัการถามว่าเรายังไม่เข้าสมาธินี่มันสงบอยู่อย่างเงี้ยจะพิจารณาได้เลยหรือไม่หรือจำเป็นจะต้องเข้าสมาธิแล้วคือไม่ค่อยได้ยินะนะไหนครับอ ส, สองคำถามแต่ อสองคำถามฮะเมื่อกี้คําถามแรกอก็ผมผมเข้าใจฮนะแต่นี้จะจะลงให้ลึกนิดหนึ่งในคําถามแรกนะถามว่า อ, อปกติจิตผมผมเนี่ยสงบพอสมควรนี้ที่กราบนักการถามหลวงพ่อนั้นว่าจําเป็นหรือไม่ในเมื่อเราสงบแล้วเราจะพิจารณาเลยหรือจําเป็นต้องเข้าสมาธิให้เรียบร้อยอถ้าจิตอยู่ตรงนี้นะพิจะะนารณาได้เลยนะขนาดจิตขนาดนี้ใช้ได้แล้วครับนี่คําถามข้อที่สองนะครับ ในการพิจารณาตามที่ถามคำถามข้อแรกนะครับถ้าจะว่ากันไปตามาความจริงแล้วก็คงจะต้องอาศัยสัญญาและก็ต้องอาศัยการเพ่งซึ่งเป็นสมถะตรงนี้ผมไม่เข้าใจว่าตัวสติที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นได้หรือไม่นะครับคือเบื้องต้นนะเราอาศัยสัญญา แล้วก็คิดพิจารณาลงไปนะด้วยจิตที่มีกําลังตั้งมั่นเห็น ไ, ไหมพอพิจารณาลงไปแล้วมันจะเริ่มแยกกายแยกอะไรบางทีเกิดนิมิตขึ้นมาอันนี้ทั้งหมดนี้ยังเป็นเรื่องของสมถะอยู่นะแต่ว่าเมื่อจิตเดินอย่างนี้แล้วพอหมดเวลาปฏิบัติเนี่ยนะแต่ว่าถ้าพิจารณากายอย่างนั้นนะสุดท้ายอย่าลืมลงใจรักนะถ้าอย่างมาพิจารณากายเป็นปฏิกูลาสุภาแล้วค้างไว้แค่นี้แล้วเลิกเลยเนี่ยมันจะเสยอิจฉาเย็นนะใจจะไม่สบายถ้านะพิจารณาเสร็จแล้วพยายามวกลงใจรักไป ให้เห็นเป็นาธาตุเป็นขันธ์ไม่ใช่ตัวเราไปใจมันจะไม่เกลียดร่างกายนี้หมดเวลาพุโทโธพิจนากายหรือหมดเวลาหายใจพิจนากายแล้วเนี่ยตัวนี้ตัวสำคัญแล้คือยืนเดินนั่งนอนต้องคอยรู้สึกตัวนะจะเหลียวซ้ายแหลกขวาจะขยับตัวจะอะไรคอยรู้สึกไปด้วยใจที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะใจของเราที่เคยฝึกสมาธิมามจะมีกําลังมันจะทรงตัวอยู่ต่างหากโยมรู้สึกไหมมันจะเห็นในร่างกายเนี้ยที่เหลียวซ้ายแหลกขวาไม่ใช่ตัวเรา เนี่ยตัวนี้ตัวสำคัญนะเรามีสติรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะตัวนี้คือตัวที่จเจริญปัญญาจริงๆเพราะฉะั้นการเดินแนวของครูบาอาจารย์วัดป่าเนี่ยท่านจะมี3สเต็ปนะสเต็ปที่1ทําทำความสงบเข้ามานะสเต็ปที่2อนะออกมาพิจารณาใช้ความคิดช่วยใช้สัญญานำนำะทำไมต้องทำอย่างนั้นนะเพราะส่วนมากคนที่ทาสมาธิแล้วจะติดเฉยนะติดแต่ความสงบแล้วไม่ยอมเดินปัญญาขี้เกียจแล้วแหละ ท่านถึงสอนบอกให้ออกมาออกมาทํางานสเต็ปที่3าคือหมดเวลาที่จะพุดโธพิจารณากายในรูปแบบแล้วเนี่ยยืนเดินนั่งนอนเนี่ยให้รู้สึกตัวหลวงปู่มั่นถึงสอนบอกว่าทําความสงบมากเนิ่นช้าเพราะไปเป็นผุ่มได้นะเนิ่นช้าได้ทีหนึงเป็นหมื่นหมื่นกับใช่ไหมคิดพิจารณามากฟุ้งซ่านงั้นพิจารณาพอสมควรพอใจจะฟุ้งนะกลับไปทําสมถาธนะิพอจิตสงบออกพิจารณาแล้วลงท้ายเนะี่ยพยายามลงไตรักไว้อย่าไปลงที่ปฏิกูลนะ เดี๋ยวมันเสียดเสียนยียน้าหมดเวลาพุโทโธพิ่นากายแล้วท่านสอนต่อว่าหัวใจของการปฏิบัตินะคือการมีสติในชีวิตประจำวันจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนรู้สึกตัวเนี่ยวิปัสสนาจริงๆมันมาเกิดที่ตรงนี้กลาบนมัสการค่ะหลังจากที่ฟังซีดีท่านมาได้เป็นเวลาปีกว่าก็จะขอส่งการบ้านนะคะไม่ทราบว่าควรจะแก้ไขและปรับปรุงตรงไหนบ้างยังบังคับตัวเองอยู่ไหม เออนั่นแหละให้รู้ทันตัวนะั่นแหละตัวนั้นมันกวางไว้ก <_ t> ็บางครั้งมีความรู้สึกว่าอยากจะปฏิบัติธรรมก็รู้ทันความยากเออแล้วเห็นกิเลสบ่อยไหมวั น, ว, นวันหนึ่งเห็นบ <_ t> ่อยอะดีมากเลยลูกศิษย์หลวงพ่อต้องเห็นกิเลสตัวเองเยอะๆนะยิ่งเห็นกิเลส ท, ทันทีที่สติระลึกรู้เนี่ยกิเลสจะครอบงําจิตไม่ได้นะกิเลสเราเกิดทั้งวันแหละจะอยากดูหรือไม่อยากดูก็ตามนะกิเลสเกิดทั้งวัน แต่พอเรามีสติเระลึกปั๊บเนี่ยกิเลสจะครอบงําจิตไม่ได้กิเลสมีหน้าที่รักษาจิตคุ้มครองจิตะเสร็จแล้วมันจะเห็นเลยกิเลสส่วนกิเลสจิตส่วนจิตต่อไปก็เห็นอีกกิเลสไม่ใช่ตัวเราะจิตก็ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีสุดท้ายต้องลงไปเหลือแต่สภาวะธรรมล้วนๆเลยรูปธรรมนามธรรมไม่มีเราแต่ตอนเนี้มันเพ่งเยอะไปใช่ค่ะเ พ, เพ่งลมหายใจเพ่งเพื่ออะไรหลวงพ่อเริ่มถามตามหลักของ สัมปชัญญะแล้วรู้นะว่าเพ่งลมหายใจเพ่งเพื่ออะไรเพราะบางครั้งแบบมันมีที่ยึดอ่าสติอะไรตรงนี้นะยึดเพื่ออะไรอ่ะอยากให้สติเกิดตราบใดที่อยากให้สติเกิดเนี่ยความอย า, อยากยังดำรงอยู่สติจะไม่เกิดยังไงนะาสติจะไม่เกิดร่วมกับอกุศลสติไม่ได้เกิดจากความอยากให้เกิดนะสติเกิดจากเหตุของสติ เหตุของสติชื่อว่าธิระสัญญาถอดถุงสละอิรอเรือธิระสัญญาคือการที่จิตจําสภาวะได้แม่ น, นจิตจะจําสภาวะได้แม่นเช่นจําความหลงได้แม่นจําความโกรธได้แม่นอะไรเงี้ยก็ต้องเห็นความหลงเห็นความโกรธบ่อยๆโดยเฉพาะความโกรธ ด, ดูง่ายชความโกรธเป็นเป็นสภาวะธรรมนามธรรมา ท, ที่ดูง่ายที่สุดเพราะงั้นความโกรธผุดขึ้นมาเนี่ยสติระลึกจําได้ต่อไปจําได้พอโกรธปั๊บนะ มันรู้ตัวเองเลยว่าโกรธแล้วไ<ช>นะม่ใชระละรึกเอง<ช>ถ้าะระลึกแล้วไม่ได้อยากให้หายโกรธนะความโกรธจะขาดสะบั้นลงไปเลย<ช>แต่พอะระลึกแล้วเกลียดมันปั๊บนะความโกรธไม่หายหรอกงั้นเรารู้เรื่อยๆแล้วสติเกิดเองพรสติเกิดเองสติรักษาจิตของเขาเองไม่เราไม่ต้องทําอะไรสักอย่างเดียวนะลดความจงใจลงนิดนึงค่ะใจยังเร่าร้อนที่จะปฏิบัติใช อ, อตัวนั้นเลิกซะ แต่ไม่ได้สอนให้ขี้เกียจน ะ, ะพวกเราไปคิดว่าโม i ี e หรือแรงผลักดันเนี่ยต้องเป็นอกุศลนะแรงผลักดันฝ่ายกุศลก็มีอย่างหลายคนบอกว่าถ้าไม่โลภแล้วคงขี้เกียจทางานคิดอย่างนี้ไม่รู้หรอกว่ามันมีแรงผลักดันฝ่ายบวกด้วยไม่ใช่มีแต่แรงแรงผลักดันฝ่ายลบสมัยก่อนพวกเราคงเกิดไม่ทันนะส่วนใหญ่คงเกิดไม่ทันสมัยจอมพลสฤษดิ์จอมพลสฤษดิ์สั่งพระ อย่าสอนเรื่องสันโดษ น, นะเขาจะพัฒนาประเทศสันโดษแล้วคนขี้เกียจเนี่ยไม่รู้จักสันโดษนั่นแหละถึงได้มีเยอะ <c oughs> จริงๆแล้วแรงผลักดันฝ่ายดีก็มีคือฉันทะใช่ไฉันทะเป็นแรงผลักดันฝ่ายดีเราเราได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้ารู้สึกสมเหตุสมผลเราได้เห็นครูบาอาจารย์มีตัวอย่างดูมีความสุขแก่มากๆแล้วยังมีความสุขเคยสังเกตไหม คนทั่วๆไปแก่แล้วอารมณ์ร้ายส่วนมากอะ่ะไหมยิ่งแก่ยิ่งร้ายรู้สึกไหมรวมทั้งพวกเราด้วยนะอย่าลืมตัวเองนะเราไปมองว่ารุ่นพ่อแม่เรานี่แก่แล้วอารมณ์ร้ายลูกเราก็รู้สึกอย่า ง, งนั้นกับเร า, นะเาไปถ้า เ, เราคอยฝึกนะคอยฝึกไปจิตใจมันถึงจะพัฒนาขึ้นมีความสุขแก่แล้วไม่ร้ายอะ่นะคอยฝึกไปครับนบรรสมรรอาจารย์ชยค่ะ โยมได้ฟังซีดีของพ่ะอาจารย์แล้วก็ได้ลองปฏิบัติดูค่ะก็วันหนึ่งก็มีการระลึกรู้นานหลายครั้งพอสมควรโดยเฉพาะโกรธ ด, ดีใจเสียใจแต่ว่าบางครั้งมันเกิดขึ้นโดยพอระลึกรู้ปุ๊บไม่ทราบพอมาดูเอเ๊ะเรารู้อะไรมันเฉยเฉยอ่ดีใช้ได้แล้วจะทำยังไงเจ้าคะตอนไม่<อ>ทำไงนะ หลวงพ่อไม่ได้บอกให้ทํำยังไงหลวงพ่อบอกให้ตามรู้เฉพาะหน้าไปเรื่อยๆเ ช, ช่นมันเกิดสภาวะอย่างหนึ่งขึ้นมาไม่รู้ว่าคืออะไรอ่ะพอไหวแวบขึ้นมาสติระลึกมันขาดไปแล้วยังไม่ทันรู้ว่าคืออะไรเราก็รู้แค่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นซ้ำติ่งเท่านั้นเองไม่ต้องบอกว่าคืออะไรเจ้าค่ะบางครั้งสงสัยง ง, งทําไมถึงรู้เพราะไม่คิดว่าเฉยๆไม่ควรจะลึกๆรู้ไม่ใช่เฉยๆก็เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งเจ้าค่ะนะอะไระก็ระลึกได้ อยากจะถามอีกเรื่องนะคะโยมปฏิบัติโดยการดูเวทนาดูเป็นส่วนๆตอนๆซึ่งคิดว่าเป็นวิปัสสนาแต่ว่าพอดูไปเรื่อย ๆ, ๆก็กลายเป็นเหมือนตัวหายไปบ้างตัวเล็กลงบ้างอันนั้นเป็นเกิดจากใจเราไม่ตั้งมั่นในการดูใจเราไปเพ่งใส่เวทนาถ้าใจเราถลาไปดูเวทนานะถลาไหลลงไปไปจ่ออยู่ที่เวทนาเป็นสมถะอีก นะเพราะงั้นเวลาก่อนที่เราจะดูเวทนาหรือดูกายนีย่ต้องฝึกจิตให้ตั้งมั่นนะเพราะงั้นต้องทำสมาธิก่อนอย่าสายกเวนก้านะสายขเวนก้าทาสมาธิก่อนนะใจตั้งมั่นแล้วเป็นคนดูมนจะเห็นว่ากายก็ส่วนหนึ่งเวทนาก็ส่วนหนึ่งใจไม่ไหลลงไปที่เวทนานะถ้าใจไหลลงไปเพ่งปั๊บนะเดี๋ยวมันจะหายเป็นท่อนๆลยเพราะงนะั้นเป็นสมถะแต่ถ้าดูเวทนาจะเห็นนะเวทนาไม่ใช่ตัวเรา ไม่จำเป็นว่าเวทนาต้องหายนะหลายคนไปดูเวทนาคิดว่าจะภาวนาเอาชนะเวทนานเคยได้ยินใช่ไหมคำนี้นั่งจนชนะเวทนาไปชนะมันทำไมถ้าชนะนะมันจะรู้สึกกูเก่งนะแต่ก็ไม่ได้สอนให้แพ้มันนะ mm hmm. ให้เราเรียนรู้ความจริงของเวทนาเราจะเห็นเลยเวทนาไม่ใช่กายนะเวทนาไม่ใช่จิตเวทนาเป็นธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งนะที่ไม่ใช่กายไม่ใช่จิต เวทนามีเหตุเวทนาก็เกิดเวทนาหมดเหตุเวทนาก็ดับเวทนาไม่ใช่ตัวเรานี่เราทำวิปัสสนาเพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อจะดับเวทนานะไม่ใช่เพื่อจะดับความทุกข์นะไม่ใช่เพื่อให้จิตมีแต่กุศลล้วนๆไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาอะไรแต่เพื่อให้เห็นความจริงว่าทั้งกายทั้งใจมันไม่มีตัวเรานรมาส ก, การหลวงพ่อครับ อ, อตอนนี้จิตมีความสงสัยแล้วก็จิตอยากจะถามครับ เมื่อสักครู่เออขอโทษนะครับคําถามนี้ไม่ทราบว่าจะควรถามหรือไม่เมื่อสักครู่ตอนอาจารย์ได้บรรยายทำเกี่ยวกับเรื่องนิพพานนะครับอาจารย์บอกว่านิพพานนี้ไม่ใช่ความดับศูนไม่มีอะไรเลยในความเข้าใจของผมเนี่ยแต่ก่อนเข้าใจว่านิพพานเนี่ยคือดับศูนย์ไม่มีอะไรเลยผู้ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วหลังจากที่ ตายไปนะฮะจะจะดับไปเลยไม่มีเกิดไม่มีอะไรอีกอันนีเ้เมื่อสักครู่ที่อาจารย์บรรยายนี้ก็เลยเลยสงสัย อ, อ, อยากจะจะ้าต้องแยกสภาวธรรมออกนะประมัตถธรรมสี่อันนะใช่ไหมจิตเจตสิกรูปนิพานนต่างก็เป็นปรมัตถธรรมต่างหากจิตเจตสิกรูปนะเกิดดับไปเรื่อยนิพานไม่ได้เกิดได้ดับอันนิพานไม่เคยหายไปไหนนะที่เกิดที่ดับมันคือรูปนามต่างหาก นิพพานไม่ได้หายไปไหนมันคนละสภาวะกันจิตไม่ใช่นิพพานนะคุณเรียนอภิธรรมปะไม่ได้เรียนครับแต่ว่าเาเพียงแต่เคยศึกษาธรรมะแบบเอไม่มีไม่มีรูปแบบนะฮะคือฟังธรรมะหรืออ่านหนังสือไปคื อ, คอ<ป>จริงๆแล้วสภาวะธรรมเนี่ยมันมีสองส่วนะส่วนหนึ่งเรียกว่าสังคตตาธรรมธรรมฝ่ายปรุงแต่งก็ประกอบด้วยจิตเจตสิกกับรูป รูปคืออย่างเช่นร่างกายอยางี้นนะกับจิตนะและจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์เจตสิกอย่างพวกโลภโกรธหลงสุขทุกข์อะไรพวกนีนะ้พวกนี้เป็นของที่เกิดแล้วดับนะแต่นิพพานไม่ได้เกิดแล้วดับนะนิพพานพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปงั้นนิพพานถึงรูปจะแต ก, จ ะ, แตกจะดับยังไงนิพพานก็ไม่ได้แต ก, กไมด้ดับไปกับรูปด้วยนะมันก็คงตัวของมันอยู่อย่างนั้นเองแต่คุณอย่าไปคิดว่าจิตเที่ยงนะถ้าเห็นว่าจิตเที่ยงเป็นวิชาทิ่ตินะ เอาเอาบุพภาคมักก็แล้วกันนะวิธีปฏิบัตินะแอ่นั้นเอาไว้ก่อนนะเพราะว่ามันเข้าใจ ย, ยากเราชอบไปคิดว่านิพพานคือจิตที่มีความสุขจิตที่มีความสุขไม่ใช่นิพพานนะจิตที่สันติไม่ใช่นิพพานนะสันติต่างหากและคือนิพพานนะคนละส่วนกันน ะ, ะการหลวงพ่อครับเมื่อสองเดือนที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ผมดูตัณหาความอยากที่ มันเกิดขึ้นมาในใจนะครับแล้วก็ดูความคิดตอนที่ตัวเองดึงเข้ามานะครับแล้วขณนะนี้ที่ผมได้ดูความอยากตัวเองว่าอยากจะถามหลวงพ่อแล้วก็มันก็ดับลงมั น, น้อยลงแล้วก็เพิ่มขึ้นตอนรอใหม่ครับเป็นการรู้ว่ถูกต้องอยังครับถูกต้องแล้วนะสังเกตไหมตัณหานะี่ยนะมันเกิดขึ้นเป็นคราวๆเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปดูออกขึ้นยังว่าตัวตัณหาตัวแรงดันตัวนี้มันไม่ใช่ตัวเราหรอ ครับผมสภาวะอันอื่นที่เกิดขึ้นมาเป็นคลาล์คลาวนะนํามาทําย่าขึ้นในอกเนี่ยขึ้นมาเป็นคลาว์คลาวก็ไม่ใช่ตัวเราทั้งหมดเลยครับผมธรรมชาติที่ไปรู้ตัวนี้รู้ตัณหาเนี่ยก็เป็นแต่ธรรมชาติรู้มันไม่ได้บอกว่ามันเป็นตัวเราด้วยรู้สึกไหมรู้สึกเป็นบางครั้งครับนั่นแหละดูไปเรื่อยนะจะพบว่าตัวเราไม่มีครับผมคือเราภาวนาจนกระทั่งถอดถอนความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้คนที่ถอดถอนความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้เรียกว่าพระโสดาบัน ฉันภาวนาต้องเอาให้ตรงเป้านะอย่าอ้อม อ, อมหลายคนภาวนาแล้วบอกทาาําอะไรปีแต่มันอ้อมไปเรื่อยๆทําไมไม่ดูลงมาในกายดูลงมาในใจจนเห็นว่าไม่มีตัวเราพระโสดาบันละความเห็นผิดว่ากายกใจเป็นเราพระอรหันต์นําหมดความยึดถือในกายในใจงั้นเรียนรู้ลงในกายในใจเนี่ยรู้ลงไปเรื่อยๆอนกะลับในมัธการหลวงพ่อคะ่ะขอทําคําว่า พุทธมามะกะควรปฏิบัติต้นอย่างไรคะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปถามองค์อื่นเนาะอย่างน้อยเราถือศีลห้าให้ได้นะจะเป็นพุทธมามะกะเลยเบื้องต้นเลยต้องมีศีลห้าขาดศีลห้าอย่าว่าแต่เป็นพุทธมามะกะเลยเป็นคนยังไม่เป็นเลยนะถัดจากนั้นต้องศึกษาธรรมะนะศึกษาด้วยการอ่านการฟังการเรียนอย่างนี้เรียกว่าศึกษาในภาคปริยัตเพื่ออะไรเพื่อจะรู้วิธีปฏิบัติ ถัดจากนั้นศึกษาด้วยการลงมือปฏิบัติคือลงมือตามรู้กายรู้ใจอย่างนี้เราถือจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงได้นะอืเจ้าค่ะถ้าเป็นชาวพุทธโดยการไปปฏิญาณตนแต่ไม่ศึกษาธรรมะนะไม่ใช่นะมันหลอกลวงนะหลอกหลวงพ่อตันเด็กๆ ก, ก็เหมือนกันแหละอยู่โรงเรียนเขาพาไปปฏิญาณตนเป็นพุทธมามะกะนะนิมนต์พระมาสวดสวดไปแ่ั้นแหละครูสั่งให้สวดก็สวดนนะ่ะะแต่เราก็เป็นพุทธมามะกะแบบของเราเนาะ <c oughs> แต่ถ้าเล่าออรักษาศีลห้าไว้ได้และกุศลและกรรมบทชสิบและมรรคแปดให้ได้เนี่ยจะดีที่สุดใช่ไหมเจ้าคะสาหรับข่าวว่าคือมันมีเยอะใช่ไหมคุณทําฝ่ายดีคุณฝึกสติไว้ถ้าคุณมีสตินะคุณก็มีกุศลกรรมบทมีศีล น, น ะ, จะเจริญมรรคเจริญโพธิ์ชงนะอินทรีย์ก็จเจริญ น, นะทำมาฝ่ายดีมันจ ะ, จะเจริญได้<ช>ถ้าขาดสติตัวเดียวเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่มีหรอก งั้นต้องเรียนนะเรียนเรื่องสติค่ะต้องปฏิบัติสมถภาวนาและออ ไ, ดได้วิปัสนาภาวนาและรักษาศีล น, นั้นไว้ให้ได้ใช่ไหมเจ้าคะต้องรักษาศีล น, น, นะเ่องการปฏิบัติ เ, เนี่ยทำสมถะได้ก็ทำนะทำวิปัสนาได้ยิ่งดีใหญ่นะทำทั้งสองอันนะ่ะยิ่งดีแต่ถ้าทำได้อันเดียวนะทำวิปัสนานะ <c oughs> บางคนอนะ่ะพวกเราชาวเมือง เราทำสมถายากนะยยเว้นแต่คนซึ่งชอบจริงๆอย่างผู้เท่าเนี้ยชอบก็จะทําสมถะอย่างพวกเราแต่และ ว, วันยุ่งจะตายไปวันวันึคิดทั้งวันพอตกข้ามก็จิตใจก็ฟุง้งมาเละเทะมาเต็มที่แล้วมาทําสมถานั่งหลับไปส่วนใหญ่นั่งหลับเพราะมันเหนื่อยแล้วชาตินี้จะรอให้ทําสมถะเต็มที่แล้วจะไปเจริญวิปัสสนานะชาตินี้คงไม่ได้ทําวิปัสสน า, าเพราะว่า<ข>สมถะไม่เต็ม งั้นพยายามฝึกนะช่วงไหนมีโอกาสปลีกตัวไปภาวนานะทําความสงบทําอะไรก็ทําเถอะทุกวันทําสมาธละเอียดไม่ได้ก็ทําสมาธิตื้นๆไหว้พระสวดมนต์อย่างนี้ก็ได้สมาธนะเราสวดมนต์ไปเรื่อยๆนะสวดยาวๆเมือ่อยนะเราก็สวดสั้นๆพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปนะให้ใจเราเคล้าอยู่กับพุโทโธแค่นี้ก็ได้สมาธิแนละ้วถัดจากนั้นเราก็มาคอยรู้กายคอยรู้ใจของเราในชีวิตประจาําวันต้องรู้สึกรู้กายรู้ใจให้บ่อยๆ ถึงจะเจริญปัญญาถึงจะเป็นชาวพุทธจริงๆนะลำพังทำแต่สมถะคนาศาสนาอื่นเขาก็ทำเป็นความความคิดคิดแล้วรู้แต่จะรู้ได้ก็เพราะคิดเข้าใจความหมายหรอหือบาง<ม>ครั้ง<ม>อาจจะมันผิดไปหลวงปูส่ปสอนบอกหลวงปู่ดูลนท่านสอนบอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้นะนแต่ก็อาศัยคิด ประโยชของท่านแต่ละประโยคมีความหมายคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็ถูกแล้วนี่ในขณะที่คิดก็ต้องไม่รู้แหะในขณะที่รู้ก็ไม่คิดมันจิตคนละดวงกันใช่ไหมในขณะที่คิดเนี่ยอย่างดีที่สุดเลยเกิดจิตที่เป็นกุศลสาธารณะกุศลธรรมดาในขณะที่รู้เนี่ยเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาธรรมวิปัสนางั้นอย่างเวลาเราความโกรธเกิดขึ้นมาสติระลึกรู้ว่าโกรธเนี่ยในขณะนั้นไม่ได้คิดแต่เสร็จแล้วเราก็รีบมาคิดต่อนี่โกรธแล้วนะหรือโกรธน้อนะเนี่ย จิตไม่ใช่รู้ละแต่เป็นจิตที่คิดคนละดวงกันงั้นในขณะที่คิดเนี่ยไม่รู้อ่ะขณะที่รู้ไม่คิดคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะงั้นต้องรู้เอานะไม่ใช่คิดเอาแต่อาศัยคิดหมายความว่าอะไรท่านสอนตรงนี้เพื่อจะบอกพวกเราว่าอย่าไปเลิกคิดนะจิตมีหน้าที่คิดจิตมีธรรมชาติคิดก็ให้เขาคิดของเขาไปแต่เขาคิดแล้วเนี่ยเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลให้ค่อยรู้ไปไม่ใช่ฝึกให้ผิดธรรมดานะคิดไม่เป็นนะ ฝึกจนกลายเป็นต้นไม้และก้อนหินคงไม่มีใครอยากฝึกหรอกแล้วความคิดที่ขัดแยง้งแม้แต่เราจะคิดให้อภัยกับคนที่ทําให้เราน้อยใจเสียใจแต่บางครั้งมันแบบส่วนลึกๆจิตใต้สํานึกมันก็ยังมีมีความรู้สึกว่าทําไมต้องทําอย่างนั้นกับเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราวควรจะเจริญเมตตาให้มากที่สุดใช่ไหมจกค่ะถ้าจะทําด้วยสมถะนะก็จะเจริญเมตตาไป หรือพิจารณาความตายก็ได้คนมันก็โกรธกันมาตั้งแต่สมัยไหนสมัยไหนนะแต่มันก็ตายไปหมดแล้วอย่างคนสมัยอยุธยามันก็โกรธกันเป็นนะแต่มันไปไหนมันก็ไม่รู้นะมันจะมานั่งอยู่แถวเนี้นะมันมาโกรธกันต่อเนี่ยพิจารณาความตายก็ได้นะมันก็จะไม่ค่อยโกรธแต่ถ้าดีที่สุดเลยถ้าทําได้นะก็ดูลงไปใจที่โกรธเนี่ยมันโกรธเพราะว่าเราไปคิดว่าเขามารังแกเรามาว่าเรา มันมีเรามารองรับนะแล้วคิดว่าทําไมเราจะต้องไปอภัยมันนะหรือทําไมต้องมาทํากับเราอย่างนี้รู้สึกไหมมันมีคําว่าเราอยู่คําว่าเราตัวใหญ่เบ้อเร้อเลยนะยิ่งมีเรามากนะก็ยิ่งมีมีเป้ารับหมัดของคนอื่นนะ ะ, ะนั้นเรามีสติรู้ลงในกายมีสติรู้ลงในใจนะหเห็นความโกรธเกิดขึ้นมาหเห็นเลยความโกรธไม่ใช่ตัวเราความโกรธเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามานะจิตที่ไปรู้ก็ไม่ใช่ความโกรธนะไม่ใช่ตัวเราแต่ว่าใหม่ๆยังทําไม่ได้ อย่าทำไม่ได้ทำเท่าที่ทำได้นะงั้นโกรธก็ถือศีลห้าไว้ก่อนอย่าไปด่าเขาถือศีลไว้ก่อนแล้วโกรธมากๆเดินหนีไปอย่าไปตีเขานะเสร็จแล้วก็ไปหาทางแก้ไขให้จิตใจสงบนะจะไปแผ่เมตตาจะไปพุโทโธจะไปพิจารณาความตายอะไรก็ได้นะให้มันสงบนะได้แค่นั้นก็ยังดีนะดีกว่าไม่ได้เลยแต่ยังไงก็อย่าผิดศีลนะหลวงพ่อเตือนด้วยความหวังดีนะเวลาไปอบายเนี่ย ไปแล้วกลับมาเป็นคนยากที่สุดเลยนะยากมากเลยบางคนก็คิดว่าตายแล้วพ้นทุกพ้นร้อนไม่ไม่พ้นนะใครมีปัญหาชีวิตนะท่องคาถาของหลวงพ่อไว้นะว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมีปัญหาชีวิตก็อย่าไปฆ่าตัวตายนะอฆ่าตัวตายก็บาปนะไม่หายหรอกไม่หายทุกนะบางคนคิดว่าฆ่าตัวตายแล้วพ้นทุกเคยมีเคยเห็นนะผู้หญิงคนหนึ่งฆ่าตัวตายเดินร้องไห้นะเดิน มันจะเดินพ้นพื้นอยู่คืบหนึ่งได้เราฝันไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะต้องบอกอย่างนี้นะเห็น <c oughs> มันมันผูกคอตายอะ่ะนะเสร็จแล้วมันก็เดินร้องไห้ไปเรื่อยๆนะถ้ามันเป็นคนนะมันร้องไห้ไม่กี่ปีมันก็เลิกแล้วนะอย่างนี้มันจะร้องนานเลยะร้องไปนานเลยงั้นไม่ว่าเราเกิดปัญหาชีวิตแค่ไหนนะก็อย่าไปฆ่าตัวตายอย่าไปฆ่าคนอื่นนะอย่าทําบาปชีวิตเราที่ทุกร้อนขึ้นมาได้ได้ประสบกับสิ่งที่ไม่ดีก็เพราะบาปนั่นแหละ อย่าไปทำอีกส่วนมากทําแล้วมันจะยิ่งหนักกว่าเก่ายิ่งพลาดพลั้งเป็นสัตวนะ์นักกว่าจะ ก, กลับมาเป็นคนอีกนะยากนะถ้ายกตัวอย่างที่ปลอดภัยกับพระก็ต้องยกตัวอย่างตามคำภีใช่ไหมอย่างเรื่องพระนรนี้ น, นนะพระนรนเคยทําบุญแล้วก็อธิษฐานขอให้รูปหล่อเกิดมาอีชาติหนึ่งรูปหล่อเฟี้ยวเลยเลยไปเป็นชูกับเขาตกนรกอยู่นานพ้นจากนารกนะมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นวัว เป็นวัวรูปหลอ่อนี่ตอนไม่ได้บอกนะว่าเป็นผีนรกรูปหล่อหรือเปล่านะแต่ตอนนี้เป็นวัวก็วัวรูปหลอ่อวัวสาวๆเดินตามทั้งวันเจ้าของลาคาญนะจับไปตอนตอนเป็นวัวตอนอยู่ห้าร้อยชาติอย่างนั้นห้านระ้อยแปลว่าเยอะนะไม่แต่เป็นต้องห้ารอยเป๊ะๆหรอกห้าร้อยแปลว่ามากเจ็ดแปลว่าไม่มากเสร็จแล้วก็มาเป็นคนนะไม่สมประกอบอีกนะนานกว่าจะเป็นคนสมประกอบท่านเหล่าเนี้ท่านรัลึกชาติได้นะท่านถึงได้มาบอกพวกเราว่าอย่าทำบาปนะ ไม่ดีเลยทําบาปแล้วกลับมาเป็นคนนี่ยากที่สุดเลยนะการเป็นคนนี่สำคัญมากนะสำคัญจิตของคนหรือจิตของมนุษย์นี่ยเป็นจิตที่สูงที่สุดนะเป็นจิตที่ดีที่สุดเป็นจิตที่ประเสริฐที่สุดมนุษย์ถึงแปลว่าผู้มีใจสูงพรนะพุทธเจ้าไม่เรียกเทวดาไม่เรียกพรหมว่ามนุษย์นะเพราะใจไม่สูงนะพวกเทวดาพวกพรหมจะตายเนี่ยเพื่อนจะเตือนขอให้ได้เป็นมนุษย์แต่ส่วนมากไม่ค่อยได้เป็นหรอก มันเพลิดเพลินมานานมันหลงมานานมากจะไปอบายงั้การที่เราเป็นมนุษย์ท่านบอกว่าเป็นขอ ง, าองอยากกว่าจะได้เป็นมนุษย์เป็นของยากสัตว์เยอะน ะ, ะสัตว์ที่มองเห็นสัตว์ที่มองไม่เห็นเยอะแยะไปหมดเลยการเป็นมนุษย์เป็นของยากมากเลยแถมพวกเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยสมบูรณ์ในกายสมบูรณ์ในใจพร้อมที่จะเจริญปัญญานะเราต้องใช้โอกาสจังหวะที่ดีที่สุดในชาตินี้แหละนะเราเป็นคนที่พร้อมเราได้เจอธรรมะด้วย เราสนใจด้วยไหมบางคนเจอธรรมะก็ไม่สนใจนะพวกเรามีคุณสมบัติที่พร้อมหลายอย่างเลยอันแรกเราได้เป็นมนุษย์อันที่สองเราได้เจอศาสนาอันที่สามเราสนใจที่จะศึกษาถ้าเราศึกษาจนแจ่มแจ้งนะเราจะรู้เลยว่าคุ้มค่าที่สุดตอนที่เรายังไม่แจ่มแจ้งเราก็รู้สึกทําบ้างไม่ทําบ้างก็ไม่เป็นไร แต่พอภาวนาเป็นแล้วจะรู้เลยถ้าไม่ได้ภาวนานะไม่ได้เข้าถึงธรรมะรู้เห็นธรรมะตามที่พระพุทธเจ้าบอกชีวิตนี้ไม่มีคุณค่าเท่าไหร่โอกาสที่พวกเราจะได้เป็นมนุษย์ในเวลาที่มีศรราสนาแล้วเราก็มีศรัทธาที่จะเรียนแล้วก็มีโอกาสได้เรียนมีน้อยที่สุดนั่นถึงบอกว่าเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากพวกเราในชีวิตนี้ในขณะ น, นี้เรียกว่าเราเป็นนาทีทองในสังสารวัตครั้งหนึ่งนะในสังสารวัตรไม่ใช่ครั้งหนึ่งในชีวิตนะ เนี่ยครั้งหนึ่งในสังสารวัตนะน้อยครั้งนะในสังสารวัตรที่จะได้เกิดมามีคุณสมบัติสมบูรณ์ขนาดนี้เพราะงั้นพวกเราอย่าทิ้งโอกาสที่ดีไปนะรีบศึกษากายศึกษาใจตัวเองไว้ถ้าพลาดจากตรงนี้เมื่อไรจะเจออีกไม่รู้นะเมื่อไรจะเจออีกก็ไม่รู้บางคนหวังจะเจอพระศรีอาร์ว่แต่เข้าสมาธินูน่นพระศรีอานิพานไปหลายกับแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยนะ หรือมัวแต่เป็นเทวดาเพลิดเพลินไปนะพอพระสีอ่านมานะก็เฮกันมาฟังธรรมะนะฟังเสร็จแล้วกลับไปเต้นระบำต่อนิสัยอย่างนี้ก็เยอะนะมันไปไม่รอดงั้นเราดีที่สุดเราเป็นมนุษย์มนุษย์เนี่ยมีคุณสมบัติที่ดีเหมาะที่สุดกับการเจริญวิปัสสนาเพราะอะไรเพราะกายของเราก็อยู่ชั่วคราวไม่ใช่อายุยืนแล้วก็สวยงามตลอดเวลาเหมือนกายของพรหมหรือกายของเทวดา กายของเราอยู <necessary. S 2> ่ชั imes, be, it may, it may you. ่วครั our our our our our ้งชัวคราวมีความทุกข์เบียดเบียนให้เห็นเนี่ยเป็นเป็นนาทีทองของเรานะที่เราจะได้รู้ความจริงของกายจิตใจของเราก็เปลี่ยนแปลงเร็วจิตใจเทวดามันมีความสู่อยู่งั้นอ่ะนานเป็นร้อยรปีนะอยู่อย่างนั้นเป็นพันปีหมื่นปีล้านปีจิตใจพรมมันก็สงบอยู่งั้นเองมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงให้ดูแต่จิตใจมนุษย์เปลี่ยนแปลงรวดเร็วจิตใจสัตว์นรกก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนะมันมีแต่ความทุกข์งั้นเราได้เป็นมนุษย์เนี่ยเป็นนาทีทองนะ นาที่ทองของเราอย่าทิ้งปเปล่าๆตายปเปล่าๆนะภาวนาเข้าก็ได้แต่บอกแค่นี้นะทําไม่ทําก็สุดแล้วแต่เวีแต่กรรมแล้วเชียร์จนไม่รู้จะเชียร์ยังไงแล้วนะกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะไหนๆอยู่ไหนอ๋อก่อนอื่นขอกลับเรียนพระอาจารย์ก่อนว่าตัวเองเป็นคนห่างไกลครูบาอาจารย์แล้วก็ทุกวันนี้ปฏิบัติก็คือฟังจากซีดีของของพระอาจารย์แล้วก็ได้ได้ฟังในซีดีบอกว่า ถ้าจิตหนักเนี่ยคือผิดทางแต่ถ้าจิตเบาเนี่ยอาจจะถูกหรืออาจจะผิดก็ได้ทวดนี้รู้สึกว่าจิตไม่ได้หนักแต่ไม่แน่ใจว่ามาถูกทางหรือยังอะคะ่ะดีแล้วที่ฝึกอยู่พอใช้ได้แล้วจิตมันเริ่มเห็นกิเลสแล้วดูออกไหมม่เห็นกิเลสเกิดได้เรื่อยๆวันหนึ่งเห็นเยอะแยะละตัวออกไหมแล้วเห็นไหมร่างกายนี่ไม่ใช่ตัวเรารู้สึกไหมบางครั้งก็รู้สึกอะคะ่ะรู้สึกไหมว่าความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเรารู้สึกไหมว่าโลภโกรธหลงก็ไม่ใช่ตัวเรา รู้สึกไหมว่าเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปที่ตาเดี๋ยวก็วิ่งไปที่หูเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดคเกิดดับไปเรื่อยเราเลือกไม่ได้ว่ามันจะไปที่ไหนเราบังคับมันไม่ได้นี่แหละเครื่องวัดว่าภาวนาถูกต้องไหมเราเห็นสภาวะธรรมตรงตามความเป็นจริงก็ใช้ได้ล้ที่ทําอยู่ใช้ได้ค่ะแล้วก็อีกคําถามหนึ่งก็คือเคยอ่านหนังสือเจอว่าคําบริกรรมในช่วงแรกเนี่ยถ้ายังไม่มีสมาธิดีพออาจจะต้องใช้คําบริกรรมแล้วก็พอทําไปสักพักหนึ่งเนี่ยอาจจะทิ้งคําบริกรรมไป แต่จำนวนตัวเองเนี่ยใช้คําบริกรรมในช่วงแรกรู้สึกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดแล้วก็ไม่ค่อยเป็นจิตไม่ค่อยสงบอะค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงแรกเนี่ยไม่ได้ใช้คําบริกรรมเลยก็เลยไม่แน่ใจว่าตัวเองเข้าคืองงถ้าสติเกิดได้จิตตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิได้มีปัญญาเห็นความจริงของกายของใจได้ก็ใช้ได้แล้วนะคําบริกรรมจะมีหรือไม่มีมันเป็นอุบายนะเป็นอุบายเป็นกลยุทธ์หรือแทคนิกในการปฏิบัติของแต่ละคน นะบางท่านภาวนาบริกรรมนะพุโทโธพุโทโธอะไรอย่างเงี้ยนะบริกรรมช่วงหนึ่งพุโทโธก็หายไปจิตสงบนะอย่างนี้สมถะนะบางท่านพัฒนาขึ้นไปอีกท่านบริกรรมพุโทโธพุโทโธแล้วท่านรู้ทันจิตของท่านไปเรื่อยๆตลอดสายของการปฏิบัติเลยไม่ได้ทิ้งทําบริกรรมเลยอย่างนี้ก็มีนะมีครูบาอาจารย์อยู่องค์หนึ่งท่านเล่นอย่างนี้เลยบางคนไม่ได้บริกรรมเลยตั้งแต่ต้นจนจบทางใครทางมันถ้าทําแล้วสติเกิดจิตตั้งมัน่น มีปัญญารู้ความจริงของกายของใจก็ใช้ได้ทั้งหมดแหละถ้าบริกรรมแล้วซึมก็ใช้ไม่ได้นะหรือไม่บริกรรมแล้วไปทำอย่างอื่นอย่างสายหลวงพ่อเทียนไม่บริกรรมขยับมือนะท่านไม่มาท่องนะขยับหนอยกอย่างนี้อีกแล้วหนออะไรอย่างนี้ไม่มีนะสายหลวงพ่อเทียนขยับแล้วก็แค่รู้สึกอย่างนี้เขาก็ใช้ได้อะไรก็ได้จริงๆอะ่ะให้มันมีสติก็แล้วกันครับก็กราบนวัสการหลวงพ่อครับ คือปฏิบัติมาได้ระยะหนึ่งแล้วครับมันมีสภาวะสภาวะบางสภาวะนะครับคือบางทีก็พอมีสติแล้วมันมันก็หายไปครับคือแต่พอมันจะมีแบบบางสภาวะที่มันจะค้างอยู่แบบนานๆนะครับต้องมีวิธีแก้ไขยังไงครับคือสภาวะมีหลายอย่างนะสภาวะส่วนที่เป็นกิเลสก็มีส่วนที่เป็นการกระทํากรรมก็มีส่วนที่เป็นวิบากก็มีส่วนที่เป็นกิเลสเนี่ยถ้าสติเกิดนะ่าจะดับทันที ส่วนที่เป็นการกระทํากรรมเช่นจิตรเราทํางานนะยังพอเกิดกิเลสขึ้นมาเรารู้ไม่ทันเราอยากปฏิบัติเนี่ยเกิดการกระทํากรรมเช่นการประคองจิตไว้เงี้ยถ้าเรารู้ว่าประคองนะบางทียังไม่เลิกประคองก็มีเพราะมันอยากดีนะมันไม่ได้เป็นตัวกิเลสมันยังไม่จับทันทีแต่ถ้าเราไปรู้ทันว่านี่เราอยากปฏิบัตินะเลยมาประคองพอเห็นที่ความอยากความอยากขาดปั๊บนะไอการประคองก็ขาดนะนี่ในส่วนของกรรมนะในส่วนของวิบากไม่หายหรอก อย่างเราจิตใจฟุ้งซ่านไปช่วงหนึ่งเนะี่ยเรามานั่งดูนะกิเลสไม่มีแล้วนะแต่ใจยังหมุนอยู่นะะยังหมุนอยู่หรือหนักๆอยูนะ่ต้องรับความทุกข์ไปก่อนนะสมน้ําหน้าอันนั้นเราต้องมีวิธีแก้ไขวิบากอะไรอย่างนี้ออมาครับถ้าจะแก้ไขคือเป็นนี้่เราไม่ใช่นี่นะมีวิบากให้รู้ไปด้วยใจที่เป็นกลาง แล้วที่ผมปฏิบัตินี่มีวิธีต้องแก้ไขปรับปรุงไงบ้างครับไม่ต้องอ่ะที่ทำอยู่ใช้ได้แล้วอ๋อครับหลวงพ่อแต่ตอนนี้ไม่ได้นะตอนนี้ขาดสติแล้วก็ตื่นเต้นเลยบังคับตัวเองดูออกไหมเอ๊ะทางนี้เขามีที่นั่งถามเหรอรู้สึกใครจะถามต้องมานั่งตรงนี้อ๋อนึกว่าทางนี้ต้องมีสแตนไว้ถาม <laughs> จริงๆนะอย่าถามเยอะดีหัดดูเอาเอง ครูบาอาจารย์แต่ก่อนไม่สอนเยอะนะสอสั้นๆในที่วัดหลวงพ่อตอนนี้มีพระองค์หนึ่งท่านมาเรียนทุกวันเลยท่านมาอยู่ข้างๆวัดลูกศิษย์หลวงพ่อทุยหลวงพ่อทุยลูกศิษย์หลวงปู่ขาวจริงๆท่านบอกว่าไปอยู่กับหลวงพ่อทุยพรรษาแรกนะหลวงพ่อทุยสอนท่านอยู่เรื่องหนึ่งเป็นหลักะอย่าขี้เกียจ น, นะ <c oughs> เรียนเรื่องไม่ขี้เกียจอยู่พรรษาหนึ่ง อ, อีกพรรษาที่สองพุดโทรไว้ รูบาอาจารย์ไม่สอนเยอะให้พูทโทรไว้ท่านก็พูดโทรไปเลยเอพอพรรษาที่3ท่านสอนใหม่มีสติไว้ข้อวัดทั้งหลายสำคัญนะถึงเวลาต้องไปทำข้อวัดของพระไปบินทบาทไปกวาดวัดไปทำอะไรต่ออะไรนะไม่บอกเหตุผลหรอกจะสั่งอย่างเงี้ยครูบาอาจารย์จริงๆนะในสายครูบาอาจารย์วัดป่าจริงๆทาไม่สอนเยอะหรอก ท่านสอนเานี้นิดหน่อยๆแล้วให้เราไปรูปรู ป, ร ป, รปคลำาเป็นปีๆเลยกว่าจะเข้าใจบางงานทั้งหลายปีนะกว่าจะเข้าใจบางเรื่องบางเรื่องยี่สิบกว่าปีเข้าใจนะมีเวลาคำถามทั้งหลายเกิดขึ้นเนี่ยเพราะใจเราคิดมากถ้าเรารู้กายรู้ใจกายเราเป็นยังไงเราคอยรู้สึกไปจิตใจเป็นยังไงคอยรู้สึกไปอย่าเข้าไปแทรกแซงอย่าถลําลงไปรู้แล้วก็อย่าไปแทรกแซงนะรู้ไปเล่นเล่นรู้ไปอย่างนี้แหละ ไม่เห็นมีปัญหาอะไรสักเรื่องหนึ่งทุกเรื่องเลยตอบได้ด้วยคาว่ารู้นะทุกเรื่องตอบได้ด้วยคาว่ารู้พวกเราลองทบทวนดูไปอ่านสติปัฏฐานดูในมหาสติปัฏฐานมีคำกริยาหรือเวิร์บมีอยู่คาเดียวคือคำว่ารู้เห็นหายใจออกยาวก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้หยุดหายใจก็รู้ มีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้นะยืนก็รู้เดินก็รู้นอนก็รู้นั่งก็รู้จิตมีราคาก็รู้ไม่มีราคาก็รู้มีโทสะก็รู้ไม่มีโทสะก็รู้ถ้ามีแต่คำว่ารู้นะเพราะงั้นงานหลักของเราจริงๆก็คือรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละไม่ใช่ไปเพ่งเขาไปบังคับเขาไปแก้ไขเขาพยายามรู้เขาอย่างที่เขาเป็นรู้ไปเล่นๆ การรู้ก็ต้องตามรู้นะถ้านถึงใช้คาว่าอนุปัสนากายานุปัสนาก็การตามรู้กายเวทนานุปัสนาตามรู้เวทนานะจิตตานุปัสนาตามรู้จิตนะมันเป็นยังไงแล้วรู้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่าไปแกล้งทำนะอย่าไปแกล้งทำนนนอ น, อนนี้ขึ้นมาจริงๆง่ายๆเท่านี้เองไม่เห็นมีคำถามเลยนะคำถามมันเกิดจากคิดมากไปนะนี่หลวงพ่อบอกเพื่อลดคาถามนะอ้าวว่าไป ก, การแลคะหลวงพ่อดูกลับเรียนถามว่าดูเนี่ยดูตัวเองเหมือนกับว่าดูผู้อื่นนะคะแล้วก็เคยดูเจตสิทธิ์นะคะแล้วก็ไม่ไม่อยากเพ่งไม่ชอบสมถะอย่างนี้หนูทำถูกหรือเปล่าคะคือคนที่ไม่ชอบทาสมถะนะหลวงพ่อพบอะไรอย่างหนึ่งน ะ, ค, ะคนที่บอกว่าไม่ทำสมถะไม่ชอบสมถะนะแต่ติดเพ่งนี่เยอะมากเลยนะ เต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะบอก <laughs> พวกที่ทำนิัสานล้วนๆเนี่ยส่วนใหญ่จะไปเพ่งแต่หนูนี่สังเกตตัวเองว่าหนูไม่เพ่ง่ะฮะหลวงพ อ, อค่ะเพรารู้ว่าหลวงพ่อสอนว่าเพ่งคือปุ่มแต่งแล้วผิดให้ดูไปตามธรรมชาตินะเจ้าคะ่ะแล้วหนูก็ดูแล้วเห็นอะไร ก็บางครั้งเห็นแบบจิตมันไปปรุงแต่งคิดอะไรไงค่ะก็รู้ทันจเจ้าค่ะอย่างนั้นแหละดูไปนะถ้าเราดูโดยไม่เพ่งนะใจเราจะเบิกบานใจเราจะเบาใจจะนุ่มนวลใจจะว่องไวน ะ, ะถ้าดูแลเพ่งนะใจจะหนักหนัก ใจจะแน่นๆใจจะแข็งแข็งใจจะทื่อทืค่ะเจ้าค่ะหนูก็ปล่อยไปตามที่เขาจะเป็นฮ่ะออตอนเนี้มันปล่อยหนีไปนอกสาราเลยถึงไหมตอนนี้อยากคุยเออต้องรู้สึกอย่างตะกี้นะตอนนี้ไม่ใช่ละตอนนี้หนีไกคิดอีกแล้วค่ะแล้วหลวงพ่อเจ้าค่ะอย่างนี้หนูจําเป็นต้องไปนั่งสมถะไม่ต้องนะนั่งสมาธิเยอะเกินไปแล้วค่ะเพราะเพราะหนูสังเกตตัวเองแล้วหนูหนูชอบตามตามดูเจตสิทธ์ เป็นยังไงดูเจตสิกดูตัวไหนล่ะความรู้สึกนะค่ะอ่ดูความรู้สึกไปใช่ได้ใช่ได้นะเจ้าค่ะค่ะเนี่ยตอนนี้หนีไปแล้วรู้สึกไหมค่ะตอนนี้ไม่เป็นตัวเองอะค่ะตอนนี้เราไปขมไว้แล้วตื่นเต้นกลัวไมโครโฟนค่ะเอต้นหัวใจสั่นไอให้มันสั่นไปนะอย่าให้มันหยุดค่ะกลับครับว่าคุณเจ้าค่ะการน้ำมัตการหลวงพ่อครับผมรับช่วงหนึ่ง แล้วเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยมันมันทำไม่ไหวแล้วปาลนอนดูเนี่ยเห็นจิตมันกระจายไปทั่วหมดเลยแต่ทีนี้เกิดผมตายทุกนั้นก่อนแล้วผมยังยังไม่ถึงเห็นรูปนามเกิดดับจิตมันกระจายยังไงนะแบบกระจายมันมันเหมือนแบ บ, แ บ, บจิตมันออกไปนอกนอกกายแวบแวบแวบไปเงี้ยอ่อถ้าเรายังมีสติตามรู้อยู่ยังใช้ได้อยู่ถ้าเกิด ต, ตอนนั้นตายขึ้นมาแล้ว ถ้ามีสติตามรู้นะก็จะไปสุขคติครับเพราะงั้นไม่จําเป็นว่าจิตต้องดีนะอจิตเรามัวมัวจิตเราฟุ้งซ่านเรารู้ว่าฟุ้งซ่านด้วยใจที่เป็นกลางดีนะะจิตเป็นอากูศนรู้ว่าเป็นอากูสนครูเจ้าบอกว่าดีนะแต่ถ้าจิตเรามัวมัวเราไม่ชอบนะดิ้นคลุกคลักคลุกคลักหาทางให้หายนะไม่ดีนะจิตไม่เป็นกลางพราะงั้นจิตเป็นยังไงก็ได้รู้ไปอย่างที่เขาเป็น ครับนนมัสการถามหลวงพ่อนะครับคือผมก็ปฏิบัติตามปัญญาที่หลวงพ่อถ่ายทอดแนะนำมานะครับผมก็คือปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้สงสัยในเรื่องศาสนานอกจากลงมือปฏิบัติอย่างเดียวก็ทุกวันนี้ก็คิดว่าเห็นมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวส่งกันบ้านก่อนนะครับมีความรู้สึกตื่นเต้นก็เห็นร่างกายมันตื่นเต้นไปนะครับ <ừ. S 1> แต่ว่าเฉย มีความสุขว่าถ้าเกิดหนึ่งก็คือเห็นเห็นเห็นจิตเนี่ยที่มันเดินไปด้วยความรู้สึกต่างๆเนี่ยด้วยความรวดเร็วแล้วก็นับไม่ท้ว่วไม่จาเป็นต้องไปนับมันมปัจจุบันที่สิ่งที่เห็นก็คือที่ดับไม่ได้แต่ว่ามันทุเราลงก็คือโทสะอย่างที่เห็นที่ว่าว่าโทสะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยโทสะที่มันเกิดขึ้นณขนะนั้นแล้วเหตุการณ์มันก็จบไปณขนาดนั้น เพราะว่ามันมีวิตกแต่อย่างสิ่งที่ผมเข้าใจว่ามันคงจะมีโมหะเข้ามาปรุงแต่งต่อไปเลยทําให้เราเนี่ยไม่ทันมันพอเนื่องจากเราไม่ทันมันเนี่ยผมจึงจับประเด็นได้ว่า1ถึงแม้เราจะรู้ว่ามันจะต้องเกิดมันจะต้องมีมีการตั้งอยู่และดับไปก็ทําให้เราทุเราลงได้ในระดับหนึ่งแล้วก็มันก็ทําให้เราถึงแม้สติตัวจริงไม่เกิดมันก็ทําให้เราทุเราลงได้ แล้วผมก็รู้ว่าคิดว่ามันจะต้องมีคำว่าอดทนใช่ไหมครับผมคำว่าอดทนแล้วมีความกล้าที่จะต้องมองดูอักุศลที่มันเกิดขึ้นและที่ให้มันผ่านไปจนจบก็ยังอยากว่าให้หลวงพ่อช่วยแนะนำถึงความอดทนและความกล้าที่จะต้องมองสิ่งที่มันไม่ดีที่ผ่านไปเนี่ยครับคือเราไม่อดทนต่อความทุกข์นะเรากลัวกิเลส พอมาเราก็หาทางต่อสู้ลูกเดียวเลยจิตใจเราก็ยิ่งปรุงแต่งมากขึ้นมากขึ้นต้องใจถึงถึงนะทําไมเรากลัวความทุกข์เรากลัวกิเลสเพราะเรารักตัวเองอย่างเหนียวแน่นเลยลึกๆ ล, กลกงไปมันคือความรักตัวเองจะห้ามไม่ให้รักก็ไม่ได้เงั้นใจมันจะกลัวกิเลสกลัวทุกข์ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหน้าที่ของเราก็มีแต่เรียนรู้ไปเรื่อยๆให้เห็นเลยว่าทุกอย่างมันชั่วคราวทุกอย่างมันชั่วคราวถ้าใจมันเห็นอย่างนี้จริงๆนะอะไรก็ได้ ความสุขเกิดขึ้นใจก็สงบเป็นกลางไม่ดิ้นรนความทุกข์เกิดขึ้นใจก็สงบเป็นกลางไม่ดิ้นรนไม่ปรุงต่อใช้ได้นะแต่ตอนแรกอย่างเราปัญญาเราไม่พออย่างที่คุณเล่าเมื่อกี้มันมีการช่วยคิดนิดนึง่งใช่ไหมช่วยคิดนิดนึงแล้วใจก็สงบลงไปนั่นคืออะไรคือสมถะคือสมถกรรมฐานถ้ามันจะเอาไม่ไหวแล้วมันฟุ้งซ่านเต็มทีแล้วเราคิดอย่างนั้นก็ใช้ได้นะใช้ได้เอาตัวรอดเป็นครั้งเป็นคราวไป ดีที่ทําอยู่ใช้ได้ล้วดีนะพวกเราที่ทนทนเรียนนะั้นจำนวนมากเลยหน้าตาผ่องใสขึ้นมาเยอะเลยมันจะรู้ด้วยตัวเองนะรู้ด้วยตัวเองใจมันจะสว่างขึ้นมาใจมันนุ่มนวลมันเบามันสบายเอารู้สึกผู้คุมกฎมาล้ว <c oughs> <c oughs> แต่หลวงพ่อต้องแก้ข่าวอีกทีนะเดือนหน้าไม่ใช่หลวงพ่อขอเ ง, งินนะ <c oughs> ท้งนี้บอกว่า ญาติโยมจะต้องไปงานสงกรานกันนะในสงกรานอย่าลืมมีสตินะตามสติตีตอนสงกรานตายเยอะนะเราอย่านึกว่าคนนั้นจะไม่ใช่เราคิดถึงความตายบ่อยๆชีวิตไม่ประมาทตอนนี้ชีวิตนี้ของเรานะเป็นนาทีทองในสังสารวัตนะอย่าประมาทนะตามรู้ตามดูให้มากที่สุดที่จะทําได้ถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกนะเราจะรักพระพุทธเจ้าแบบยอมตายถวายชีวิตได้เลย เราจะรู้เลยในโลกนี้ไม่มีอะไรจริงจังหรอกนะความสุขจริงๆอยู่ตรงนี้อยู่ต่อหน้า ต, ตานี่เองอยู่ตรงที่ใจนะมันพ้นจากกิเลสอนะ่ะพ้นจากการยึดถือในกายในใจนี่งทีมที่เขาอุตส่าห์ช่วยจัดงานนี้นะภาวนาเก่งนะพวกเราลองมาศึกษากับเขาดูบ้างก็ได้นะเขาอยู่ใน